ค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์อยู่ด้วยคำว่าตถาคตเนี่ยนะคำว่าตถาคตนั้นเป็นการขยายพระพุทธคุณที่กว้างขวางที่สุดเท่าที่พบรองลงมาก็คือพักวาเนี่ยนะสองคำนี้อธิบายเยอะที่สุดเลยโดยเฉพาะพักวานนั้นอธิบายมากในดีกาตถาคตเนี่ยอธิบายมากในอัตถคถาทั้งโดยเฉพาะอัตถคถาปรมาถทีปณีเนี่ยนะ ส่วนอัตกรถาอื่นๆก็อธิบายตามสมควรแต่ก็ยังถือว่าพระตถาคตเนี่ยอธิบายมากเพราะคำว่าตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำนี้นิยมใช้ใช้หลายแห่งจริงๆนนคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือคำว่าพัควานเ น, นี่ยนใครที่เข้าใจพระคุณทั้งหลายเหล่านี้ได้ก็ถือว่าศึกษาพระธรรมได้อย่าง ได้อย่างลึกซึ้งว่างั้นเถอะแล้วก็ถือว่าเป็นความรู้ความเข้าใจที่อนาคตต่อไปจะกว้างขวางยิ่ ง, งขึ้นไปการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะเขามาโดยส่วนตัวใจจริงแล้วถ้าใครมาถามว่าควรศึกษาข้อปฏิบัติไปอย่างไรก่อนถ้าจะให้มาแนะนำนะมาจะให้ขึ้นต้นที่สารณะศึกษาพระพุทธคุณให้เข้าใจศึกษาพระธรรมคุณศึกษาพระสังฆคุณให้เข้าใจ เมื่อศึกษาเรื่องของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จนมั่นใจก็ศึกษาเรื่องศีลให้ดีๆนะศึกษาเรื่องศีลพอศึกษาเรื่องศีลก็ศึกษาเรื่องกรรมฐานอา่าที่เหมาะกับจดิตที่สามารถบริหารได้อย่างต่อเนื่องส่วนข้อปฏิบัติที่เรียกว่าวิปัสสนานี้ไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าตั้งแต่พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นต้นเนี่ยวิปัสสนาควบคู่อยู่ในนั้นอยู่แล้วเพราะวิปัสสนานี้เป็นชื่อของปัญญาเนี่ย พันฐานล่างๆเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือฐานคือศรัทธาที่มั่นคงในพระพุทธเจ้าจำเป็นมากนะถ้าหากว่าศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าแล้วอย่างอื่นไม่ใช่ภาระไม่ใช่ปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าแนะนำสิ่งนั้นเราพร้อมที่จะรับด้วยความสุดจริตใจเนี่ยนะเราก็จะไม่บ่ายเบี่ยงพพอน้อมรับด้วยสุดจริตใจด้วยศรัทธาที่ตั้งมั่นอย่างนี้แล้ว พระสูตรทุกสูตรอย่าลืมว่ามีผู้ตรัสรู้นะพระ อ, องค์จึงตรัสถ้าไม่มีผู้ตรัสรู้พระ อ, องค์ไม่แสดงหรอกพันพระสูตรแต่ละสูตรเนี่ยถือว่าเพียงพอที่จะพ้นทุกไหมเมื่อวานในภาหยะสูตรก็กล่าวไปแล้วว่าคาถาแม้บทเดียวเนี่ยที่ประกอบด้วยประโยชน์ที่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ประเสริฐกว่าคาถาตั้งพันๆคาถาที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์นะพันฟังพุทธพจน์นี้ถ้าฟังถูกต้องแล้วถึงไม่มากนัก ก็ถือว่าเพียงพอที่จะตรัสรู้เพราะที่สําคัญที่สุดว่าพุทธพจน์ทั้งหมดนี้มีวิมุติรสนะนะมีวิมุติรสรสคือความหลุดพ้นพ้นจากวัตฏทุกข์โดยประการทั้งปวงมันก็หาพระพุทธพจน์ที่เหมาะที่จะทําให้เราพ้นทุกนี้ย้อนกลับมาถึงการทําความเข้าใจในคุณของพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่นั้นคนเข้าใจว่าพุทธประวัติคือพุทธคุณ น, นะพุทธประวัติไม่ใช่พุทธคุณ พุทธประวัติก็คือเรื่องราวที่เป็นไปเนี่ยนะแต่พุทธคุณนี่คือความรู้ความสามารถของพระพุทธเจ้าประวัติเนี่ยมาจากคำว่าประวัติคือความเป็นไปความเป็นไปของการดำเนินชีวิตเนี่ยนะเรียกว่าพุทธประวัติแต่ที่พูดถึงต่อต่อไปนี้เป็นพุทธคุณคือหมายถึงตัวคุณธรรมของพระพุทธเจ้าเน้นที่พระคุณนี่มาขึ้นคาว่าตถาคตเนี่ยนะ ตถ า, าคตมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากในหน้า2องตรงนี้ยกคําว่าตถ า, าคตมาเป็นตัวอย่าง8ปนัยยะพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าตถ า, าคตโดยเหตุ8ปประการคือชื่อว่าตถ า, าคตเพราะเสด็จมาอย่างนั้นชื่อว่าตถ า, าคตเพราะเสด็จไปอย่างนั้นชื่อว่าตถ า, าคตเพราะเสด็จมาสู่ลักษณะอันทองแท้ชื่อว่าตถ า, าคต เพราะตรัสรู้ชอบยิ่งซึ่งธรรมะอันทองแท้ตามเป็นจริงชื่อว่าตถาคตเพราะทรงเห็นธรรมะอันทองแท้ชื่อว่าตถาคตเพราะมีพระดำรัสอันทองแท้ชื่อว่าตถาคตเพราะทรงกระทาอย่างนั้นชื่อว่าตถาคตเพราะอัรถว่าครอบงำก็มาดูโดยลำดับเลยนะคำคำแรกก่อนที่บอกว่าเสด็จมาอย่างนั้นถามว่าเป็นอย่างไร ที่ว่าพระผู้มีพระภา ค, คชื่อว่าตถาคตเพราะเสด็จมาอย่างนั้นน่ะคำตอบก็คือเหมือนแปลง่ายๆว่ามาเหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนถามว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ปางก่อนแต่ปางก่อนมีพระพุทธเจ้าตรงนี้ยกตัวอย่างโดยมากยกตัวอย่างแค่แค่เจองค์นะ 1, วิปัสสีสองสิกขีสเวสสุู 4, ี่ 3, 5, กกสันทหโกโกนาคมณะห กสปะก็องที่7ของเราเขาเรียกว่าเป็นพระฤาษีที่เจนะของเราองค์ที่7ก็นับถอยหลังองค์นี้เป็นองค์ที่หนึ่งถอยหลังไป7องค์เนี่ยนะพระพุทธเจ้าเหล่านั้นคือพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเป็นต้นเนี่ยเป็นผู้ถึงความขวนขวายเสด็จมาเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกทั้งปวงที่มาเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยมาทำไมการมาของพระพุทธเจ้าก็คือมาเพื่อประโยชน์ ท่านย้ำอยู่ตลอดว่าคําว่าประโยชน์ในที่นี้เน้นประมาถประโยชน์นะมาเพื่อพระนิพพานแก่สัตว์มาเพื่อให้สัตว์ตรัสรู้พระนิพพานเพราะถ้าตรัสรู้พระนิพพานแล้วนั่นจะเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเกื้อกูลคืออริยมรรคนะนะอริยมรรคเกิดขึ้นถ้าตรัสรู้อริยมรรคและนิพพานแล้วเป็นอันว่าพ้นทุกข์ ร, รมโมหเวรคติธรรมจารีผู้ที่ปฏิบัติธรรมะจนอริยมรรคเกิดแทงตลอดพระนิพพานไม่ไปอบายอีกต่อไป พ้นตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสาระที่สําคัญที่สุดของการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าเพราะว่ามาแล้วช่วยสัตว์ได้อย่างแท้จริงคือช่วยให้เขาพ้นอบายทุกคติวินิบาตนรกไม่ใช่มาช่วยเพียงแค่ให้อิ่มให้สบายให้ไปสวรรค์แค่ชาติเดียวถ้าหากว่ามาชี้แนะบอกทางสวรรค์เฉยๆเนี่ยนะไม่จําเป็นต้องพระพุทธเจ้าไม่จําเป็นเลยเพราะพระโพธิสัตว์ทั่วไปท่านก็สอนได้อยู่แล้ว คนดีมีพระเจ้าจักรพรรดิเป็นต้นก็สอนให้บุคคลทั้งหลายไปสวรรค์ได้อยู่แล้วเดียรถีบางกลุ่มบางกลุ่มที่มีสัมมาทิฐิเนี่ยท่านเหล่านั้นก็สอนให้ไปสวรรค์ไปพรหมโลกได้แต่ผู้ที่จะสอนให้บรรลุอริยมรรคแทงตลอดพระนิพพานนั้นนอกจากพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าบุคคลอื่นไม่ใช่ฐานะเอาอย่างที่เราเรียนก็ถือว่าเรียนของพระพุทธเจ้าสมบัติเหล่านี้เป็นของ พระพุทธเจ้าทั้งหมดนั้นพระพุทธเจ้านั้นมาเพื่อประโยชน์คือพระนิพพานมาเพื่อเพื่อเกื้อกูลหมายถึงอริยมรรคแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงสรรพสัตว์ทั้งปวงปวงในที่นี้หมดเลยใช่ไหมหมดดามดแดงปลวกหมดเลยเอาใครอะทั้งปวงนี่ก็บอกว่าโลกทั้งหมดเลยอะหมายถึงเวนยศัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะหมายถึงเวนยศัตว์คือผู้ที่ควรแก่การตรัสรู้ พราะผู้ที่ไม่ควรไก่การตรัสรูน้นี่พระองค์นี่แหละเป็นเจ้าของพุทธพจน์ที่ว่าพวกลิ้นไม่รู้รสแกงอะไรนะทัพพีไม่รู้รสแกงผู้ที่ฟังทำแล้วไม่รู้เรื่องเลยนะก็บอกว่าเหมือนกับลิทัพพีที่ไม่รู้รสแกงว่างั้นนะก็สมัยพุทธกาลก็มีเนี่ยนะที่ติดตามพระพุทธเจ้าไปไหนก็ต้องมีแหละพระอุทายีเนี่ยอุทายีเลอะเทอะเนี่ยนะแต่ว่าเรียกว่าโลลุทายีติดตามพระพุทธเจ้าไป ไม่เคยบรรลุอะไรดีไม่ดีจำอะไรไม่ได้เลยแต่ติดตามพระพุทธเจ้านี้จังเลยแต่ว่าบางท่านเนี่ยมาฟังไม่นานก็บรรลุหอกกลับไปพวกนั้นเหมือนกับลิ้นที่รู้รสแกงบรรพ้ที่ไม่สั่งสมบูรณ์มานี่ก็ถือว่ายากอยู่แล้วแต่นี้คำว่าเกื้อกูลแกโลกที่จะบรรลุมรรคผลเน้นเวนยสัจเวทตพวินยูหิวินยูชนคืออุคติตันยูวิปัญจิตันยูนัยบุคคลตรัสรู้ได้ส่วนพวกปธาประมะทั้งหลาย เป็นวาสนาต่อไปหลายท่านจะพึ่งอวดตัวเองเลยว่าเป็นบัวเหนือน้ำนนก็เป็นถ้าเป็นปะทะ ป, ประมะคือพวกชาตินี้ไม่ได้บรรลุทั้งหมดชื่อว่าปะทะประมะหมดเลยถ้าผู้ใดบรรลุชาตินี้ได้เรียกว่าถ้าบรรลุแบบหัวข้อก็อุคติตันอยู่แต่ว่าหมดสมัยแล้วดูท่านายะบุคคลเท่าที่ได้ยินมายังไม่เคยได้ยินเลยนะตัวออ พ, พันปีหลังมานี้ยังไม่ได้ยินเลย ส่วนนัยะบุคคลก็ก็มีรับคนรับสมอ้างไม่ใช่น้อยจริงหรือเปล่าก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวแม้กระทั่งใครที่ปฏิญาณว่าได้ตรัสรู้แล้วถ้าตรัสรู้จริงก็ขอมุทิตาขอกราบอนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะท่านจะพ้นทุกข์แล้วอีกไม่เออท่านคือผู้ที่พ้นทุกข์แล้วถ้ารู้ไม่จริงล่ะคือผู้ที่มีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วเพราะฉะนั้นจริงไม่จริงก็กรรมมสะโกมหิ ทุกคนมาด้วยกรรมของตนนะนี่ก็กลับมาย้อนว่าพระพุทธเจ้านี้พระองค์เสด็จมาเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกทั้งปวงกล่าวอธิบายไว้อย่างไรอธิบายไว้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้พระองค์นี้เสด็จมาด้วยอภินิหาร8ประการอันเป็นเครื่องเสด็จมาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นอภินิหารเนี่ยจริงๆเป็นอภินิหารที่ประกอบด้วยองค์8 อภินิหารนี่หมายถึงการตั้งความปรารถนานะการตั้งความปรารถนาที่ประกอบไปด้วยองแ์8มีความเป็นมนุษย์เป็นต้นแล้วตั้งความปรารถนาจึงจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพอตั้งความปรารถนาที่อาศัยองค์ประชุมแปประการเสร็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นพระองค์ก็บาเพ็ญบารมีสามสิบทัศ คือบำเพ็ญทานบารมีศียบารมีเนคข ม, มะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาอุเบกขาบารมีรวมเป็น10 น, นะจัดเป็นบารมี10อุปปารมี10และประมาทัปปารมีอีกสพระองค์ก็บริจาคมหาบริจาคอีก5ประการถือว่าเป็นการบริจาคที่ยิ่งใหญ่มากและส่งบำเพ็ญบุพพาประยคป์ุพพจริยาการแสดงธรรมเทศนา ยาตถาจริยาสงเคราะห์ญาติโลกทะจริยาสงเคราะห์โลกจนถึงที่สุดแห่งพุทธะทธะจริยาไอพุทธจริยาคือประพฤติข้อปฏิบัติของความเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งมวลเหล่านั้นเสด็จมาโดยประการใดพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ก็เสด็จมาแล้วโดยประการนั้นนะคือท่านเหล่านี้เป็นเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพุทธประเพณีเรียกว่าเป็นประเพณีของ พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเสด็จมาอย่างไรโดยประเพณีเช่นใดหรือประเพณีก็ได้หรือพุทธวงศ์ก็ได้วงของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นพระองค์มาอย่างไรพระพุทธเจ้าของเราก็มาอย่างนั้นข้อแรกก่อนนะที่บอกว่าท่านตั้งความปรารถนาที่ประกอบไปด้วยองคอง์8ที่เรียกว่าพี่นิหารนะพนิหารตัวนั้นหมายถึงความปรารถนาหรือมูลปณิธานการตั้งความปรารถนาก็เนี่ยนะ อย่างที่รู้กันว่าเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเป็นต้นเนี่ยนะทีนี้อการที่จะตรัสรู้ได้เนี่ยการตรัสรู้ทำแล้วช่วยให้ผู้อื่นตรัสรู้ก็คือการพ้นทุกข์แล้วช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ด้วยเบื้องต้นที่จะช่วยให้คนอื่นพ้นทุกข์เนี่ยช่วยอะไรเขาก่อนช่วยยังไงเพราะการตรัสรู้เนี่ยเอาดีแต่คนเดียวเนี่ยนะแล้วให้มาช่วยตัวเองสร้างบารมีนี่มีไหมมีแต่ว่าตัวเองจะไปสร้างบารมีกับคนอื่นได้อย่างไร มันมีแต่ว่าท่านจะช่วยคนอื่นได้อย่างไรท่านแรกจึงให้ทานไงเพราะคนนี้ปกติเดือดร้อนในวัตถุทั้งหลายมันเราจะช่วยให้ผู้อื่นได้วัตถุได้อย่างไรก็สงเคราะห์เข้าไปมันทานก็คือเจตนาให้เจตนาบริจาคเพราะฉันแรกเลยก็คือน้อมไปเพื่อการให้น้อมไปเพื่อการให้ อ, อ, ใหอย่าลืมว่าการบำเพ็ญบารมีทั้งหมดเนี่ยเป็นการกระทําเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายต้องการอะไรก่อนต้องการมหาพูดต้องการทรัพย์สินต้องการปัจจัยสี่เพราะฉะนั้นเราต้องให้ปัจจัยสี่ก่อนให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยให้ยาเป็นต้นทีนี้ต่อไปสัตว์ทั้งหลายปรารถนาที่จะมีชีวิตดำรงอยู่ยืนนานใช่ั้ยก็ให้ชีวิตเป็นฐานเป็นต้นก็เป็นศีลบารมีทีนี้ผู้ที่ประพฤติทานประพฤติศีลเนี่ยนะ การให้ทานกับการรักษาศีลโดยรวมๆเนี่ยนะมันจะเป็นไปเพื่อความผูกพันท่านก็เจริญเนคขมะคือการออกซะเนี่ยนะไม่ได้ม่อน้อมไปเพื่อการผูกพันอะไรขณะเดียวกันนี่ออกไปไหนออกด้วยปัญญาเนี่ยนะความที่มีปัญญาทานศีลเนคขมะก็คือสมาธินั่นเองทานศีลสมาธิและปัญญาก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละคนที่จะให้ทานรักษาศีล เจริญสมาธิมีปัญญาได้คนขี้เกียจเป็นไปได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่วิสัยของคนเกียดคร้านนะเป็นเรื่องของผู้ที่มีความเพียรเพียรที่จะให้ทานอย่างพระมหาชนกเนี่ยนะว่ายน้ำข้ามทะเลว่ายไปไหนว่ายไปเอาสมบัติของพ่อสมบัติของตระกูลเพื่อจะให้ทานเนี่ยนะแล้วจะได้ไปประพฤติธรรมะอย่างอื่นอีกพะะนันคนที่ให้ทานก็เป็นผู้มีความเพียรคนรักษาศีนี้ก็เพียรมาก นะอย่างน้อยที่สุดเมื่อเย็นใครรักษาอุโบสถก็เพียรกําจัดความหิวนี่ก่อนนะนะอย่าหิวนักเลยอย่างเงี้ยนะหรือคนที่อบรมเนคขมะเนี่ยนะเนคขมะก็การเจริญเมตตาเป็นต้นนี่ก็ก็ต้องมีความเพียรอ่ะนะแล้วมีปัญญาด้วยแล้วฟังธรรมนี่ยิ่งต้องเพียรมากเลยใช่ไหมศึกษาพระธรรมนี่ใช้ความเพียรเพิ่มอีกหลายเท่าทีนี้คนที่มีความเพียรถ้าขาดความอดทนไปรอดไหมไม่รอดพระัะพระองค์ก็เลยแสดง ขันติจะต้องมีความอดทนจริงๆนะจึงจะเจริญได้อย่างตลอดสายทําไมเขาจึงอดทนได้เพราะเขามีวาจาสัตย์ไงความปรารถนาที่ตั้งเอาไว้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพูดคดําใดต้องเป็นคํานั้นไม่เปลี่ยนแล้วก็ที่ไม่เปลี่ยนก็เพราะความปรารถนาอธิษฐานเนี่ยคือการตั้งความปรารถนาที่จะเจริญกุศลไปเรื่อยๆอธิษฐานบารมีก็ไม่ต่างอะไรจากอัตตะสัมมาปาณิธิตั้งใจมั่นอ่าตั้งใจมั่นในการเจริญกุศลไปเรื่อยเนี่ยนะ แล้วก็การเจริญกุศลเหล่านั้นเนี่ยเมตตาคือน้อมไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายแล้วก็ถ้าทํากิจเหล่านั้นสําเร็จแล้วท่านทำยังไงวางเฉยวางเฉยนี่แปลว่าไม่มีฉันทราคะหรือความผูกพันรวมว่าบารมีเหล่านี้ทําธรรมดาทั่วไปนี่จัดเป็นบารมีถ้าถึงกระสละเลือดกระสละเนื้อแล้วจึงกระทําได้ก็เป็นอุป ป, ปรมีกรสละแม้กระทั่งชีวิต นั่นแหละเป็นปรัมัทธปารามีทานนี่ก็ทุ่มเทด้วยชีวิตนะรักษาศีลก็ทุ่มเทด้วยชีวิตเนคขมมะก็ทุ่มเทด้วยชีวิตเจริญปัญญาเป็นต้นทุกอย่างทําเสมอด้วยชีวิตหมดเลยเอาแค่ตายค่อยเลิกว่างั้นเอาตายไปแล้วไม่เลิกได้ยังไงเนาะเสร็จแล้วท่านยังบริจาคไอ้ห้าประการใช่ไหมเป็นผู้ที่เป็นนักมหาบริจาคคือไอ้บริจาค5ประการเนี่ยนะอย่างเช่นบริจาคลูกไม่ใช่ทิ้งลูกให้กําพ้านะคนละอย่างกัน อันนี้หมายคำว่าลูกนั้นสุดที่รักตัวเองก็พร้อมที่จะเลี้ยงได้เลี้ยงอย่างดีด้วยแต่อย่างนั้นก็เพราะว่ารับโภธิยานมากกว่าก็ให้ลูกเป็นทานภริยาก็เหมือนกันนะให้ทานภริยาไม่ใช่ลักษณะยาร้างก็ไม่ใช่ว่ารังเกียจชิงชังกันอะไรก็รักกันมากนั่นแหละแต่ว่าถ้าไม่ให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้อวัยวะนี่ไม่ใช่ว่าหมายคำว่าไปเป็นแผลซะจนต้องตัดเท้าทิ้งแล้วค่อยให้เท้าเป็นทานไม่ใช่ นะฟันผูดจะต้องถอนทิ้งนะเรียกว่าให้ทานไม่ใช่ตาเสียจนต้องผ่าออกไม่ใช่หมายถึงว่ายังดียังสมบูรณ์ใช้ประโยชน์ได้แล้วสละได้เนี่ยนะอันนั้นก็บริจาคอวัยวะใช่ไหมชีวิตนี้ใครก็หวงแหนไม่ใช่แหมทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จตายได้แล้วเนี่ยนะก็เลยสละชีวิตเป็นทานไม่ใช่หมายถึงว่าชีวิตยังดำเนินไปด้วยดวยีแต่ก็สละชีวิตเป็นทานราชสมบัติเนี่ยนะ ให้อีกข้อหนึ่งคือให้ราชสมบัติเป็นฐานถ้าเป็นพระราชาต้องให้ราชสมบัติเป็นฐานได้ทีนี้ไม่ใช่ว่าโอ้ยเสยนาอัมมาดเนี่ยนะกระด้างกระเดืองจนเรียกว่าปกครองไม่ขึ้นแลว้วะนะสละบาลังโดยโดยถูกเขาบีบให้สละไม่ใช่อย่างนั้นหมายคืาว่าตัวเองเป็นที่รักใคร่ของประชาชนบริหารบ้านเมืองไปด้วยดีแต่ก็ต้องสละเพื่อโพธิญาณเนี่ยนะคือให้ผู้อื่นได้หมดเลย ไอ้ความที่เป็นนักให้อย่างนี้เนี่ยจึงสามารถให้สัตว์ได้บรรลุมรคผลได้ถ้าไม่ใช่นักให้นักมหาบริจาคแท้จริงเนี่ยนะให้ผู้อื่นบรรลุมรคผลไม่ได้ให้คนอื่นได้ดีไม่ได้แม้กระทั่งบอกให้ผู้อื่นไปสวรรค์ยังไม่กล้าแนะนำเลยกลัวคนอื่นเขาจะได้ดีกว่าตัวหรือที่จะให้บรรลุมรคผลด้วยยิ่งไม่ใช่ฐานนะเพราะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่บุคคลที่ตรหนีเลยมีแต่ให้อย่างเดียวยาว่าแต่วัตถุภายนอกเลยแม้แต่ชีวิตก็ยัง ให้ได้เพางั้นขณะเดียวกันสิ่งที่ทำเนี่ยนะก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยทำอย่างสาตัจกักริยาเนี่ยนะเป็นปุพพโยคะทำจริงๆเลยแหละนะปุพพะจริยาปุพพประโยชน์คือการประพฤติการกระทำเนี่ยทำอย่างแท้จริงขณะเดียวกันก็ชาติใดทุกชาติท่านจะเป็นผู้กล่าวทำนะทุกชาติเนี่ยท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็แสดงธรรมท่านออกบวชท่านก็แสดงธรรม คืออย่างน้อยก็สอนกรรม ส, สการตาสอนพรหมวิหารสอนอัดสอนธรรมสอนประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปเนี่ยนะท่านก็เป็นผู้กล่าวธรรมและก็เป็นผู้ที่สงเคราะห์ญาติเนี่ยนะสงเคราะห์ญาติก็ไม่ใจไม้ไส้ระกรรมทิ้งทิ้งคว้างๆญาติเป็นต้นก็ไม่ใช่สงเคราะห์ญาติทั้งหลายแล้วก็สงเคราะห์แก่โลกเกื้อกูลแก่ชาวโลกในที่สุดจึงเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องประพฤติพุทธกิจอนะพุทธกิจกิจของความเป็นพระพุทธเจ้าอีก นะเป็นพระพุทธเจ้านี่ก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์อื่นเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านพักอ่าถ้าพูดถึงการนอนของท่านท่านนอนน้อยแต่ถึงอย่างนั้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ลำบากเพราะแสดงธรรมไปเข้าพระสมาบัติไปด้วยได้เขาอนุโมทนาป้าโปงก็เข้าพระสมาบัติแล้ว ท่า น, นพระองค์นี้มีความสุขแล้วแต่ก่อนหน้านั้นท่านเดือดร้อนมาตลอดก็เพื่อสงเคราะห์สัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทุกองค์เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาอย่างไรพระพุทธเจ้าของเราก็มาอย่างนั้นใครที่รู้ความการเสด็จมาของพระองค์แล้วไม่นับถือพระองค์ไม่มีหรอกเนาะเพราะว่ามาเพื่อประโยชน์แก่เราจริ ง, รงๆหนอสมัยก่อนนี้เขาพูดเลยนะว่าพระพุทธเจ้ามาเพื่อสงเคราะห์เราแท้จริงเข้าดีใจในลักษณะนั้นนั้นของเราก็ ดีใจเสมอว่าคําสอนนี่มาเพื่อสงเคราะห์เราที่แท้จริงเนี่ยนะมันก็เรียนเล่มนี้จบแล้วอย่าลืมไปกลับไปอ่านบ้างทีนี้ต่อไปว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่พระองค์มาเนี่ยนะที่สําคัญก็ยังไงก็ต้องมาด้วยโพธิปักขยธรรมใช่ไหมเพราะว่าโพธิปักจยธรรมมีสติประญานเป็นต้นเรียกว่าทางสายเอกซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปเจกับพุทธเจ้าทุกพระองค์พระสาวกทั้งหลายทั้งมวล ท่านเหล่านั้นล้วนแต่พอกภูลสตรีประธานสี่สัมมาประธานสี่ทธิบาทสีอิน 5, รียห้าพละห้าพ่อชงเจ็ดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แดไม่ใช่สละจนไม่เหลืออะไรเลยนะบางคนนี่ยเขาบอกว่าชั้นขอเสียสละทุกอย่างสละแม้กระทั่งกุสนอย่างเงี้ยนะสละกลาย เ, เหลือไปกลายเป็นคนขี่อะไรนะกลายเป็นคนอนาถาเที่ยวขอทานเขากินจิตใจก็แห้งเช้าไม่ใช่เลย สละมหาพูดสละภายนอกก็จริงแต่พอกพูนกุศลธรรมพอกพูนสติปทานนะนะพอกพูนสัมมาปทานนะคือความเพียรพอกพูนอิทธิบาทคือพอกพูนชันทวิริยะจิตตวิมังสาพอกพูนศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพอกพูนสติสัมโพชงเป็นต้นพอกพูนสา ม, มาธิฏฐิเป็นต้นจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้าเพราะผู้ที่จะมาตรัสรู้อย่างไรก็ต้องมีคุณธรรม บริบูรณ์ด้วยคุณธรรมคือโพธิปัจขยธรรมความที่ท่านเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยโพธิปักขยธรรมนั้นแหละจึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าภาษาริบุตรท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ว่าจะอดีตอนาคตหรือปัจจุบันพระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนแต่ละนิวรห้าที่ทําใจให้ทุรพลทําจิตให้เศร้าหมองมีมีมจิตเนี่ยตั้งมั่นด้วยสติปัฏฐานสี่อ บ, บรมโพชิชงเจ็ดจึงตรัสรู้ พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั่นคือหนทางของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพันพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาอย่างใดพระพุทธเจ้าของเราก็มาอย่างนั้นข้อแรกนะตถาอาคาโตคือมาอย่างนั้นนะคตะนี่แปลว่าไปใช่ไหมอาคคตาแปลว่ามาพระพุทธเจ้าทุกองค์นี่มาอย่างนั้นก็เลยเรียกว่าตถาคตนะดูก่อนอนุตถาคตกล่าวว่าเป็นต้นนะตถาคตก็คือผู้เสด็จมาอย่างนั้น ถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าตถาคตเพราะเสด็จไปโดยประการอย่างนั้นเป็นอย่างไรอนะอันนี้ตอนแรกตถาคตแปลว่ามาใช่ไหมนี่แปลว่าไปพระองค์ไปไหนไปทำไมคาว่าไปนี่เริ่มตั้งกันเมื่อไร่ตอบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายทรงอุบัติเดียวนั้นเดี๋ยวนั้นที่ไหนที่ลุมพินีอนะสวนลุมพินีวันประทับยืนด้วยพระยุคลบาทด้วยฝ่าเท้าทั้งคู่ บ่ายพระพักหันหน้าไปทางทิศเหนือคือทิศอุดรเสด็จดําเนินไปได้ 7-9 เก้าเมื่อเทวดากั้นสเสวตฉัตรเทวดาเนี่ยนะกั้นสเสวตฉัตรพระองค์ก็ชำระเลืองดูทั่วทุกทิศแล้วทุกทิศเนี่ยนะมองเป็นรับเป็นเนินเดียวกันหมดทรงเปล่งพระวาจาอย่างอาถรร์เรียกว่าอาสพิวาจา อสพิวาจาว่าอโคหามัสมิเชโธเศโธโลกัสะอヤมันตะินัติชานิปุณพภาวเนี่ยนะว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเนี่ยนะนะเป็นอะไรนะนะ oh อโคหามัสมนะิก็คืออัคระเนี่ยก็คืออัคระยอดนะนะยอดของคนเชตโธเสโธเชตโธก็คือใหญ่ที่สุดเศโธก็ประเสริฐที่สุดเนี่ยนะนะบัตชาตินี่เป็นชาติสุดท้ายของเรา บัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปเพราะฉะนั้นจะไปฝากคันฝากท้องอยู่กับใครไม่เอาอีกแล้วพอแล้วว่า ง, งนะั้นท่นก็เลยเรียกว่าอาสพิวาจาพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นทุกองค์เลยนะเมื่อประกาศถึงความที่พระองค์เป็นผู้เจริญที่สุดประเสริฐที่สุดจึงได้มีการเสด็จไปอย่างทองแท้และการไปเหล่านั้นไม่พลาดด้วยนะไม่มีคําว่าผิดพลาด โดยเป็นบุพนิมิตแห่งการบรรลุคุณวิเศษเป็นอันมากโดยประการใดรายละเอียดเกี่ยวกับการประ寿เนี่ยนะมีเหตุการณใดๆเดี๋ยวจะกล่าวข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งบุพนิมิตบุพนิมิตก็แปลว่าอะไรเป็นพูดแบบหนึ่งเรียกว่ารางอ่ะนะเป็นเป็นลางบอกเลยว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี้เป็นรางบอกเหตุอะไรบ้างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะ เป็นอย่างพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆหมดเลยมันรายละเอียดของการตรัสการประ寿ของพระพุทธเจ้าทุกองค์เหมือนกันว่าประตรูตอนประสตรูต้องประสูตรในป่าแล้วประสูตรแล้วประทับยืนด้วยเท้าทั้งคู่เดิน79เก้าเลี้ยวดูทิศทุกทิศแล้วก็เปล่งอาสพิวาจาเป็นต้นเนี่ยเหมือนกันหมดเลยถือว่าแบบฟอร์มเดียวเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเสด็จไปโดยประการนั้น เป็นการไปอย่างท่องแท้ไม่ผิดเพราะเป็นบุพนิมิตเป็นเครื่องหมายแห่งการบรรลุคุณวิเศษของพระองค์เองด้วยเป็นเครื่องหมายแห่งการบรรลุคุณวิเศษของสัพสัตด้วยนี่แหละเรียกว่าไปอย่างนั้นไปอย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งในอันนี้อีกในหนึ่งนะพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นทรงละกามาฉันทาด้วยเนคขมมะเสด็จไปอันนี้ถอดแบบฟอร์มปฏิสัมพิธามมาหมดเลยนะสาหัวข้อ ออกจากกามด้วยเนคขมมะก็คืออสุภะเป็นต้นนั่นเองละพยาบาทด้วยอัพยาบาทคือเมตตาละทีนามิธะด้วยอโลกสัญญาั้าง่วงๆก็ไปเปิดไฟให้มันสว่างไว้นั่งกลางแจ้งดูนะละอุทธักกุกุจักด้วยความไม่ฟุง้งซ่านด้วยความสงบละความสงสัยด้วยการกําหนดธรรมทาลายอาวิชชาคือความไม่รู้ด้วยพระยานบรรเทาความไม่ยินดีคืออารติเน่าเบื่อเหลือเกินที่จะเจริญกุศล เคยไหมฟังทำรรไปนานๆมันเบื่อมันเบื่อมเมื่อไหร่จะเลิกสักทีอะไรแบบนี้นะลักษณะนั้นเนะขาเรียกว่าอารติเบื่อที่จะเจริญกุศลก็ต้องมีปรามโมทเนี่ยนะให้เห็นคุณของการเจริญกุศลละธรรมะอันเป็นปฏิปักษ์นั้นเช่นว่าละนิวรห้5ด้วยปฐมฌานละวิตกวิจารด้วยทุติยฌ า, านละปีติด้วยตติยฌ า, านละสุขทุกโสมนัตโทมณตก่อกรด้วยจตุทัชฌานละรูปสัญญา นัตนาณตสัญญาปฏิฆาสัญญาด้วยอาการสาณจายตนะละอาการสาณจายตนะด้วยวิญญาณัจายตนะเป็นต้นจนถึงละอะไรนะละนิจจสัญญาด้วยอนิจจานุปัสนาละสุขะสัญญาด้วยทุกขานุปัสนาละอตสัญญาด้วยอนัตานุปัสนาเป็นต้นและก็ละสกายทิธิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาด้วยสกอโสดาปฏิมักละการมราคาปฏิฆาย่างหยาบด้วยอนาคาเมมัก สะกะทาคามีมักตแสดงว่าเร็วมากรีบจบเลยเนี่ยละกิเลส ท, ทั้งปวงด้วยอรหัตตมัตต์นะจบทีเดียวเลยนะคือสรุปว่าพระพุทธเจ้าทุกองเนี่ยไปด้วยคุณธรรมสามสิบเจ็ดประการตามนี้แหละฉันใดพระพุทธเจ้าของเราก็ไปอย่างนั้นคิดดูนะถ้ามองตามนี้แล้วคุณธรรมสามสิบเจ็ดขั้นเป็นไปได้ไหมเรามาดู ละกามฉันทะด้วยเน่คัมมานะก็กลุมนี้เจข้อแรกเรียกว่าอุปจาระฉันแล้วก็สมาบัติ8มหาวิปัสนา18นะอุปจาระนี้เป็นเครื่องบริหารกุศลธรรม7ข้อนะสมาบัติ8ก็คือสมถะมหาวิปัสนาอีก18สมถะวิปัสนาควบคู่กันก็เป็นอริยมรรตัสรู้ฉันใดพระพุทธเจ้าก่อนๆฉันใดพระพุทธเจ้าของเราก็ฉันนั้นเหมือนกันอันนี้เรียกว่าเสด็จไปอย่างนั้น ก็ดูนะใครที่จะไปตามพระพุทธเจ้าก็ดูนะไล่ดูนะสาขั้นเนี่ยต่อไปชื่อว่าตถาคตเพราะเสด็จมาสู่ลักษณะที่ทองแท้อันนี้อัฏฐะที่สของตถาคตนะนะมาสู่ลักษณะทองแท้เป็นอย่างไรคือชื่อว่าตถาคตเพราะทรงมีพระญาณ น, นัคติเสด็จมาถึงคือบรรลุไม่ผิดพลาดซึ่งลักษณะอันทองแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่น อันมีธรรมะนั้นเป็นสภาวะพร้อมทั้งกิจเป็นต้นพร้อมทั้งกิจลักษณะก็คือลักษณะที่จตุ ก, กะทุกอย่างไม่มีคําว่าผิดพลาดนะ ล, ลักษณะนะลักษณะระสะประจปุประทานประทัดฐานเป็นต้นของสภาวะธรรมทั้งหมดเนี่ยด้วยอนุภาพของปัญญาของพระองค์นั้นตรัสรู้ไม่ผิดพลาดไม่ผิดเพี้ยนเลยเช่นว่าปฐวีธาตุเนี่ยที่มีลักษณะแข่นแข็ง อาโปธาตมีลักษณ ะ, ะไหลไปหรือเกาะกลุมเตโชธาตอบอุ่นวายโยธาดพัดไปปัตวีอาโปเตโช ว, วายโยเนี่ยนะสี่คำนี่เชื่อไหมอมถึงไหนอมถึงรูปประพบหมดเกลี้ยงเลยส่วนอากาศนี้อมถึงรูปประพบไปด้วยเพราะปัตวีธาตของมนุษย์เทวดาเป็นต้นอาโปธาตเป็นต้นที่แม้กระทั่งปัวีธาตที่เป็น อยู่ในอาการ32หรือปฐวีธาตุที่เป็นกะสินเนี่ยนะพระองค์ตรัสรู้สิ่งเหล่านี้อย่างทะปปลุโปรปงหมดเลยแล้วก็อากาศาธาตุหรือจึงหายวิญญาณาธาตุไปอันหนึ่งนะ เ, เรกว่าธาตุหใช่ไหมปฐวีอาโปเตโชวายโยอากาศและวิญญาณาธาตุอากาศาธาตุนั้นจับไม่ได้ไทยไม่ได้นะต่อไปขัน5ว่ารูปรูปก็คือรูปปณะสลายไป เวทนาสวยอารมณ์สัญญาจำได้หมายรู้สังขารปรุงแต่งวิญญาณรู้แจ้งรวมความว่าลักษณะของขันหอายตนา12บทาสิอินทรีย์22สัตจะ4ปัจญการปฏิจจสมุบาทิ2สสติปสติประทาน4สัมมาประธาน4อิทิบาท4อินทรีย์หพละ5โพชฌงเจอริยมรคมีองค์8วิสุทธิจ7จจนถึงอมตนิพพาน ลักษณะเหล่านี้สิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้เนี่ยไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนไม่มีพลาดเป็นการตรัสรู้อย่างจริงแท้เนี่ยนะโดยที่สุดเนี่ยถึงตรัสรู้พระนิพพานเนี่ยนะของเราพอจะรู้จริงมั้างก็แข็งนี่แหละรู้ว่ายังไงแข็งแค่นแข็ ง, ขงพอไหมพอไหมที่จะแทงตลอดพระ น, นิพพานก็นั่นแหละรู้ปฐวีธาตุเป็นเบื้องต้นตรัสรู้นิพพานเป็นที่สุดนนแหละเอาให้มันอย่างนั้นนะ่ะนะ ม่ใช่แข็งแขแข็งแข็งให้ก็แข็งอะสิเมื่อไหรมันจะมันก็แข็งทั้งปีทั้งชาติอยู่แล้วปัทวีธาตุนะนะมันไม่เคยเป็นอย่างอื่นหรอกอาโปธาตุมันก็เกาะกลุ่มทั้งปีทั้งชาติมันนั่นแหละวาโยธาตุมันก็พัดทั้งปีทั้งชาติมันนั่นแหละเนี่ยนะแต่ว่าไอ้รู้พวกนี้แล้วมันบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างไรตรงนั้นต่างหากที่เป็นสาระเนี่ยนะก็คือรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ในฐานะเป็นปริญญาธรรมเป็นต้นเนี่ยนะ ก็ข้อความนี้ถือว่าเป็นการยกอภินญญาณนิเทศในปฏิสัมพิธามักมาทั้งรุ่นเลยนั่นแหละี่ต่อไปในที่สี่เลยนะว่าเชื่อว่าตถาคตเพราะตรัสรู้ชอบยิ่งซึ่งธรรมะอันทองแท้ตามความเป็นจริงประมวลลงมาว่าเชื่อว่าตถาคตเพราะตรัสรู้อริยสัจนั่นเองธรรมะที่ทองแท้ธรรมะที่ไม่วิปริตธรรมะที่ ตรัสรู้แล้วนะจากปุติชนกลายเป็นพระอริยะทันทีความจริงแท้อันนั้นก็คืออริยสัจ ส, สีสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายอริยสัจ ส, สี่เหล่านี้เนี่ยเป็นของแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นอริยสัจ ส, สีอะไรบ้างดูก่อนพิสูจทั้งหลายคำที่ว่านี้ทุกเนี่ยนั่นเป็นของแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่น นี้สมุทยัย น, นี้ทุกขสมุทัยเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นของแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นนี้ทุกขานิโรธนี่ก็เป็นของแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นนี้ทุกขนิโรธคารมินีปฏิปทานนั่นก็เป็นของแท้เป็นของที่ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นนนี้พันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ยิ่งซึ่งอริยสัจสี่เหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าตถาคตเพราะตรัสรู้อริยสัจสี่นั้นอย่างทองแท้ ของเรานี้ได้ยินอริยสัจสี่ใช่ไหมได้ยินเนาะยังไม่ตรัสรู้นะอีกหน่อยเพิ่เนาะสักวันหนึ่งเธอหน้าเนี่ยนะตรัสรู้ว่ายัางไงเนาะนี้ทุกเลยนะส่องกระจกเมื่อไหร่ก็นี้ทุกอย่างงี้เลยรนะู้ะยิ้มแป้อยู่ น, ะนั่นนะ่ยนะไม่ทุกสัทีหนึ่งสบายเนะนี่ยนะต่อไปอัตที่จริงแท้ก็คือแทงตลอดปฏิจจสมุปบาทที่ว่าชารามรณะเกิดและเป็นไปเพราะชาติเป็นปัจจัย แก่ตายเนี่ยมันจะแก่ตายที่ไหนเมื่อไรอย่างไรอดีตอนาคตปัจจุบันถ้าแก่ถ้าตายแล้วยังไงก็ต้องมาจากเกิดถ้าไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายหรอกแล้วเกิดเนี่ยมันมายังไงเนี่ยนะความเกิดเนี่ยทำไมจึงเกิดก็เพราะพบจะเกิดที่ใดเมื่อใดอย่างไรก็ตามก็ต้องกรรมนั่นแหละนําเกิดแล้วทําไมกรรมมันจึงนําเกิดก็เพราะอุปาทานก็เพราะยึดถือแล้วอุปาทานทําไมจึงยึดถือก็เพราะตันหาแล้วทําไมจึงมีตันหาก็เพราะเวทนาเป็นต้น มันจำเมื่อตันหาเกิดที่ไหนเมื่ อ, อไร่อย่างไรก็มีเวทนาเป็นปัจจัยอาเวทนาลนะ่ะเวทนามีไหมที่พ้นจากภาษาเป็นปัจจัยไม่มีแล้วมีภาษาไหนที่พ้นจากสลายยตะนะไหมก็สลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีภาษะเมื่อไรก็ตามอายตนะก็มีนามรูปนั่นแหละเป็นปัจจัยแล้วนามรูปอย่างไงก็ต้องมีวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณก็มีสังขารเป็นปัจจัยสังขารที่นําเกิดทุกชนิดมีความเคลาเป็นปัจจัยเนี่ยนะ อย่างที่เมื่อกี้โยมเขาถามว่าอาลาละดาบทอุตกรดาบทเนี่ยเกิดที่ อ, อากาสานัญญายตนาพบกับเนวสัญญานาสัญญายตนาพบเนี่ยเพราะอะไรเพราะอาวิชากับเนวสัญญาเป็นปัจจัยเพราะอาวิชากับอากินจัญญายตนาเป็นปัจจัยเนื่องจากท่านเหล่านั้นไม่แทงตลอดอริยสัจเรียกว่าอาวิชาเมื่อไม่แทงตลอดอริยสัจอรูปประชานก็นําเกิด ในอารมูปภพเนี่ยนะสังขารทั้งหมดคือทั้งปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอเนชาพิสังขารถือว่ามีอวิชชาเนี่ยเป็นปัจจัยสังขารที่นําเกิดในทุกแห่งมีอวิชชาเป็นปัจจัยนี้ถือว่าเป็นสภาวะที่ถ่องแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นอันนี้แน่นอนแน่นอนเลยนะเพราะทุกเราทวกเราที่มาเกิดเนี่ยมีเครื่องหมายมาติดตัวกันหมดเลยมีอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมานําเกิดในภพนี้ ขณะเดียวกันเนี่ยนะอักที่ชื่อว่าอาวิชาอย่างไรก็เป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณจนถึงชาติเป็นปัจจัยแห่งชารา ม, มรณะเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นของแท้ของจริงไม่กลายเป็นอย่างอื่นของแท้เหล่านี้เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมทิฏฐิธรรมนิยามเนี่ยนะความความจริงของชีวิตที่ดําเนินเป็นไปอย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ พอตรัสรู้แล้วก็แต่งตั้งเปิดเผยประกาศทำให้ง่ายบอกกล่าวแก่ผู้อื่นให้ทราบว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเป็นต้นอันนี้คือชีวิตในวัตตะขณะเดียวกันพระองค์ก็ประมวลสิ่งเหล่านี้โดยแทงตลอดสัจจะในสิ่งเหล่านี้ด้วยอันนี้คือพิเศษว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ชรามรณะชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรธชรามรณะนิโรธค า, ามินีปฏิปทา อันนี้คือความจริงที่สัตว์ทั่วไปไม่รู้ถ้าโดยธรรมดาทั่ ว, ว, วไปนะแก่ตายเมื่อไหร่ยังไงก็มาจากเกิดใช่เกิดเท่าไหร่มันก็แก่ตายเท่านั้นนั่นแหละแต่ว่าแก่ตายเนี่ยนะมันรู้แค่นั้นไม่พอมันต้องรู้ว่าความแก่ความตายเนี่ยนะเหตุให้แก่ให้ตายความดับความแก่และความตายข้อปฏิบัติให้พ้นจาก ความแก่และความตายเนี่ยนะทำยังไงตรงนั้นะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และการตรัสรู้นั้นท่องแท้ไม่ผิดไม่พลาดไม่กลายเป็นอย่างอื่นเจ้าจึงเรียกว่าพระตถาคตเพราะตรัสรู้ยิ่งอริยสัจสี่อย่างทองแท้มันก็เมื่อใดที่เราแทงตลอดปฏิจจสมุปบาทเออปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจต่างกันตรงไหนต่างกันยังไง ท่านบอกเออปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจบอกว่าอีกสูตรหนึ่งบอกพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจมาอีกสูตรหนึ่งบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทตรัสรู้อะไรกันแน่ตกลงก็จริงๆทั้งปฏิจจสมุปบาททั้งอริยสัจคือสิ่งเดียวกันสิ่งเดียวกันอย่างไรคือปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมอนุโลมก็คือทุกขกับสมุทัยสัจจะปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมก็คือนิโรธและมรรคสัจจะเพราะฉะนั้น ถ้าประมวลอริยสัจทั้งอนุโลมปฏิโลมอขอไปประมวลอริยสัจก็คือปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมนั่นเองเพันธุ์ใครที่ตรัสรู้อริยสัจจะตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทด้วยใครที่รู้ปฏิจจสมุปบาทจะต้องรู้อริยสัจด้วยจึงจะไม่ผิดไม่พลาดจึงเรียกว่าเป็นของจริงของแท้ไม่กลายเป็นอย่างอื่นปฏิจจสมุปบาทอยู่ที่ไหนเอว่าไหนอยู่ตรงไหนอยู่ที่นั่งทำตาปริบๆนี่แหละ ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันก็แบ่งไปนเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันใช่ไหมอดีตเนี่ยกว่าจะมาเห็นเนี่มายังไงอนาคตต่อไปเห็นแล้วมันจะเป็นอะไรปัจจุบันเนี่ยองประกอบของการเห็นคืออะไรแล้วการเห็นเหล่านี้มีอะไรเป็นปัจจัยเป็นตัวเนี่ยต้องตอบให้ได้ทั้งหมดเนี่ยนะตอบได้จนกว่าจะเข้าใจจนไม่ใช่ว่ามานั่งคอยตอบปัญหานะมันเป็นความเข้าใจอย่างความจริงแท้ของชีวิตเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเรียนพวกนี้เพื่อเอาไป พอมาไม่ชอบเลยที่เรื่องต้องเรียนเพื่อเอาใจอาจารย์เนี่ยนะก็เลยไม่ได้ดีทุกวันเนี่ยก็พ่ออย่างนี้แหละที่เกียดเรียนเพื่อเอาใจอาจารย์ก็แต่ว่าอยากเรียนเอาใจตัวเองเพราะว่าทําไมอะ่ะเอาความพ้นทุกข์มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวใช่ไหมคือสิ่งเหล่านี้เราต้องถามเองตอบเองได้ให้คะแนนตัวเองได้ปริญญาที่ผู้อื่นให้ถ้าเราลืมไว้ที่อื่นจะว่างไงนะเอาปริญญาไว้ในใจของเราดีกว่าเนี่ยนะยาตะปริญญาตีรณะนะปริญญาแล้ว ปัญปญญาถ้าได้ปริญญาที่พระพุทธเจ้าประทานให้คือทุกขศาสปัญญากริชใช่ไหมสมุทัยศาสตร์ก็ถ้าทถ้ามีปริญญาจริงต้องละได้ถ้าละจริงต้องทำให้แจ้งได้ที่แจ้งได้ก็เพราะเจริญเจริญเป็นเนี่ยนะเพราะถ้ากำหนดรู้ละเจริญทำให้แจ้งนั่นแหละที่เรียกว่าแทงตลอดอริยศัสตร์แล้วก็อริยศาสตร์พระองค์บอกว่าบัญญัติลงใน กายาวานาคือที่มีสัญญาและใจครองก็คือลุกยืนเดินนั่งนอนได้นี่แหละไม่ได้บัญญัติลงที่ต้นไม้และใบหญ้าอะไรมาดูชื่อว่าตถาคตเพราะเห็นทองแท้เห็นอะไรเราก็เห็นไม่ใช่เลยเห็นยังไงคือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้เห็นโดยประการทั้งปวงซึ่งธรรมชาติที่ชื่อว่ารูปารมณ์ อันมาปรากฏทางจากโคทวาลของสัตว์หาประมาณไม่ได้ในโลกกะาธาตุอันหาประมาณไม่ได้ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามเทวดาและมนุษย์สีทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นธรรมชาติที่ทองแท้เท่านั้นไม่ที่ไม่ท่องแท้ไม่มีอันพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ยังเอาสีเหล่านั้นมาจาเนกโดยชื่อเป็นอันมากส3วาระ52นัยยะ โดยนายเป็นต้นว่ารูปที่ชื่อว่ารูปปายยตนะนั้นอ่ะเป็นฉไงคือรูปที่เห็นได้รูปคือที่เห็นได้ง่ายกระทบได้ง่ายหรือว่าที่เห็นได้กระทบได้อ่ะนะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเขียวสีเหลืองรูปเหล่านี้ก็อาศัยมหาภูตรูปสี่เนี่ยนะที่เรียกว่ามหาภูตรูปสี่เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสีสีเหล่านั้นก็มาแจกเป็นอิทธารมอ น, นิธารมอารมณ์ที่น่าปรานาะไม่น่าปรารถนาะเป็นต้น แล้วก็เอามาแสดงโดยบทที่ว่าทิฏฐังสุตังมุตังวิญญาตังเป็นต้นก็เอามาจําแนกแกะแงได้อย่างละเอียดกว้างขวางหาที่สุดไม่ได้ตกลงคืออะไรคือถ้าคิดง่ายๆว่าสิ่งที่สัตว์ทุกชนิดเห็นเนี่ยนะอย่าคิดนะว่าพระพุทธเจ้าไม่เห็นสิ่งที่สัตว์เห็นเนี่ยนะสีขาวสีเขียวสีเหลืองเห็นที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเป็นต้น ที่เราเห็นเนี่ยเราเหมือนกับว่าเราแอบดูอะไรสักอย่างอยากคิดนะว่าพระพุทธเจ้าไม่เห็นแบบที่เราเห็นแล้วพระองค์เห็นเกินกว่าที่เราเห็นอีกเห็นไหมสัตว์โลกทุกชนิดเนี่ยนะที่เห็นสีเนี่ยนะสีจะจากมุมใดจากตําแหน่งใดที่สัตว์เห็นพระพุทธเจ้าเห็นหมดแต่ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงไหนต่างที่ว่าพระพุทธเจ้าเห็นเนี่ยเห็นอย่างทะลุปรุโปรงเห็นอย่าง ตลอดสายเห็นแล้วกำจัดชั้นราคาได้หมดแต่ว่าสัตว์โลกเห็นแล้วสยบเอนี่ยนะอันนี้ต่างกันตรงนี้สยบด้วยอำนาจราคาใช่ไหมถ้าสีสวยก็ชอบถ้าไม่สวยโกรธบ้างกลัวบ้างก็สุดแท้แต่อะไรจะเกิดขึ้นดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนที่สูตทั้งหลายเรารู้อยู่รู้ยิ่งแล้วซึ่งรูปที่ได้ซึ่งรูปที่ได้เห็นแล้วเสียงที่ได้ฟังแล้วอารมณ์ที่ได้ทราบแล้ว และธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งแล้วที่เราบรรลุแล้วสแสวงหาแล้วค้นคิดแล้วด้วยใจไม่ว่าสิ่งเหล่านี้ที่สัตว์โลกรับรู้โดยประการใดเนี่ยนะรูปที่เห็นแล้วเป็นต้นตถาคตรู้แจ้งปรากฏแล้วแก่ตถาคตเพราะฉะนั้นสรุปว่าทุกอย่างที่สัพพสัตว์รู้พระพุทธเจ้ารู้หมดแต่ทุกอย่างที่พระพุทธเจ้ารู้ไม่แน่ว่าสัตว์จะรู้หรือเปล่าเนี่ยต้องพระพุทธเจ้าด้วยการจึงจะรู้อย่าง ทะลุโปรงทั้งหมดเนี่ยนะแต่ว่าสมัยใหม่เขาก็ชอบเอาตัวเองไปเปรียบกับพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยเลยมันมีปัญหาจริงหรือจริงหรือเป็นต้นก็เอาเราเนี่ยไปเปรียบนะมันพระพุทธเจ้าชื่อว่าเห็นอารมณ์ทุกชนิดอย่างท่องแท้อันนี้ข้อนี้เนี่ยที่บอกว่าเห็นอย่างท่องแท้ประกาศถึงความเป็นสัพพันธ์อยู่ของพระพุทธเจ้าแปลว่าไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งน่อยหนึ่งไม่มีเลยที่พระพุทธเจ้า ไม่รู้เนี่ยนะรู้อะไรรู้ทุกอย่างจริงๆรู้ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันรู้ทั้งบัญญัติรู้ทั้งปรมาทรู้ทั้งสังคตะและอสังคตะรู้ทุกภาษาแม้กระทั่งความรู้สึกนึกคิดของสรพรพสรัตว์ทั้งหลายโดยประการใดๆเนี่ยพระองค์รู้หมดรู้อย่างท่องแท้เพราะฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอย่างยกตัวอย่างตอนที่พระองค์แสดงย ม, มากาปารติหารที่เมืองสาวัตถีไอ้ที่เมืองสาวัตถีเนี่ยนะเขาจะมีไอ้เนินตรงนึงอะ ใกล้เมืองสาวัตถีน่มันมีเนิ น, เ, น, น เ, เรียกว่าเจดีตรงควงไม้เอ่อควงต้นมะม่วงเรียกว่าคันดามพรกถามแขกว่าตรงนี้เาเรียกอะไรเรียกแอร์พอร์ตว่ากันแอร์พอร์ตแขกก็คือที่พระพุทธเจ้าสแสดงยงมกกปาติหารเหาะเป็นต้นนะเขาก็เลยเรียกแอร์พอร์ตาันสนามบินเ า, าว่าันถามไอ้สาสีเขาว่าสนามบินเขาว่าแอร์พอร์ตที่พระพุทธเจ้าเหาะนะที่แสดงพระพุทธเจ้าสแสดงยงมกกปาติหาร แต่ถ้าขึ้นไปบนนั้นจริงๆก็จะเห็นภาพกว้างมาก น, นะนีที่พระพุทธเจ้าแสดงยมกะปารติหารตรงนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยนะมาเป็นรัศมีเป็นหลาย10บกิโลที่มาชมยมกะปารติหารขณะเดียวกันไม่ใช่มีแต่มนุษย์เทวดาและพรหมก็มาเยอะแยะทั้งหมดระหว่างนั้นพระพุทธเจ้าแสดงยมากาปารติหาร นนะแล้วก็เนรมิตพระพุทธเนรมิรด้วยนะในอิริยาบถ ท, ที่แตกต่างกันแล้วรัศมีท่อน้ำสายไฟเนี่ยไหลพุ่งออกจากะวรกายในส่วนต่างๆของเซ ร, ระร่างกายและมีการเดินจงกรมเป็นต้นขณะเดียวกันเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรวจดูวาระจิตของสัตว์ทุกประเภทโดยจิต16ประเภทจิตมีราคะจิตปราศจากราคะสรุปว่าใครคิดอะไรพรองรู้หมดแล้วรู้รูภูมิหลังของทุกคนหมดเลย แล้วจำแนกด้วยว่ากลุ่มที่จะบรรลุมีเท่าไหรไม่บรรลุมีเท่าไหร่ลหรและไอ้วพวกที่จะบรรลุก็มาแบ่งว่าจริตราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตเป็นต้นแบ่งเสร็จแล้วแต่และกลุ่มนี่จะบรรลุด้วยธรรมเทศนาประเภทใดแล้วก็แสดงธรรมบรรลุเยอะๆไปหมดเลยเหลือแต่เราพวกเราที่นั้นตกรุ่นมาได้ยังไงไม่รู้นนะถึงทุกวันนี้ได้พระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่มีบุญขณะมีมีมิม ความรู้มีสติปัญญาหาประมาณที่สุดไม่ได้จริงๆเลยนะคือของเราทั้งหลายเนี่ยถ้าพูดแบบหนึ่งนะเกิดมาในชาตินี่เหมือนกับว่าเกิดมาในช่วงมืดตลอดเลยเคยใช่แต่แสงหิ่งห้อยอะนะเลยนึกไม่ออกว่าถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะก็เลยนึกไม่ค่อยออกฉันใดพวกที่อยู่ด้วยอวิชชาทั้งหลายก็ลักษณะเหล่านั้นใช้แต่ปัญญาริปรีติดดับดับติดดับดับนึกไม่ออกว่าดวงอาทิตย์ขึ้นจะเป็นอย่างไร พวกเราทั้งหลายเกิดมาในสมัยที่ไม่มีพระพุท ธ, ทธเจ้าไม่ทรงพระชนอยู่ก็เพียงแต่รู้ร่องรอยว่าสว่างมากสว่างมากก็ได้รู้แค่นี้นะแต่จริงๆท่านบอกว่าดวงอาทิตย์สว่างเฉพาะกลางวันดวงจันทร์จะสว่างเฉพาะกลางคืนพระพุทธเจ้าผู้มีดวงตาเนี่ยเห็นทั้งกลางวันเห็นทั้งกลางคืนเห็นทะลุโ ป, ปร่ปรงทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันความรู้ความเห็นเหล่านั้นอของพระพุทธเจ้าเพื่ออะไร พระพุทธเจ้ารู้วาระจิตของผู้อื่นทั้งหมดเลยก็เลยหลอกใช้คนอื่นเลยใช่ไหมเกลี้ยกล่อมคนอื่นเพื่ออะไรหรือเพื่ออะไรก็บอกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของเหล่าสัตว์ใช่ไหมซึ่งต่างจากคนทั่วๆไปที่รู้ผู้อื่นมากก็ยิ่งทำยังไงก็ใช้เล่ห์เพทุบายโดยประการต่างๆใช่ไแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะก็เหมือนอย่างว่าดวงอาทิตย์ส่องสว่างให้สัตว์โลกเห็นเนี่ยมีมีเล่ห์เหลี่ยมมีมายาอะไรไหม ไม่มีแต่ว่าการส่องสว่างของดวงอาทิตย์ก็เพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะก็เพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าบางนัยยะท่านอุปมาเหมือนแผ่นดินแผ่นดินเนี่ยนะมีประโยชน์ต่อสัพพะสัตว์ทั้งหลายเช่นว่าเป็นที่อาศัยพ่อปลูกของพืชเป็นต้นน่ยนะให้เป็นอาหารของสัตว์ทั้งหลายแผ่นดินเป็นที่เจริญงอกงามแห่งโอสถแห่งตัวยาเป็นต้นฉันใดพระพุทธเจ้าก็เป็นประดุษแผ่นดินในฐานะผู้หลั่งประโยชน์ให้แก่สัพพะสัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าเป็นประดุษแสงสว่าง ของสัพพสัตต์ทั้งหลายแต่ว่าเกิดมาในยุคคนลก ค, คนตาบอดเข้าก็เลยอาทิตย์จะส่องสว่างขนาดไหนก็บอกไม่เห็นไม่เห็นเนี่ยนะก็ะปิดตาตัวเองตลอดนะฮะพระสะเตอร์มาปิดตานะตปัญหาว่าพระสะเตอร์ปิดตาแกะออกไม่ยากนะปัญหาว่าเอาหนามาทิ่มตาบอดนี่สิพระพุทธเจ้าเนี่ยรับรู้อารมณ์ทุกอย่างถ้าพระองค์ไม่รู้เห็นทุกอย่างแล้วพระองค์จะแนะนําเราได้อย่างไรพระพุทธเจ้าเออเคยแสดงไหมพระองค์เทศแบบเผื่อๆนะ เออถ้าอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นจะเป็นอย่างโน้นพูดแบบพูดแบบอะไรนะพูดแบบเป็นคนมีสองแง่สองง่ามสองเงื่อนแล้วแต่เธอจะเอาไปคิดกันเองเอนะมีไหมไม่มีมไม่ในโลกเนี่ยไม่มีใครพูดความจริงชัดเจนหนึ่งสองสามสี่ห้าบอกตรงเป๊ะหมดเลยไม่มีเดาว่าถ้าว่าเผื่อว่า นี่นะถ้าเธอยังไม่มีมีแต่จริงแท้มีแต่ความจริงแท้บอกไลยเลยนะหนึ่งสอามี่ห้าหอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่ยืนยันขนาดนี้เนี่ยนะแต่ว่าไม่ค่อยชอบอ่านเชื่ไหพระไรปิฎกไอ้จริงๆขนาดนี้ไม่อ่านแต่ไปอ่านในแบบเพื่อว่าถ้าว่าโอ้ยอ่านจริงๆเลยนะเรื่มนั้นนะถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนู้นมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยนวะวิจารณ์กันแหลกไปหมดถ้าอย่างนั้นคนชอบมากใ้แต่บอกจริงๆแล้วก็เอ๊ะไม่ค่อยเอาเท่าไหร่เนี่ยนะ เก็บไว้บูชา <c oughs> ความจริงจริงๆก็ไม่ค่อยอยากรู้นะเออทำไมมันเป็นอย่างนั้นไปได้นะยิ่งตําราทางโลกด้วยเนี่ยไม่เห็นมีแน่สักเรื่องเลยนะไอตอนแรกเขาบอกว่าอะไรนะรุ่นแรกก็บอกออ้ยดีจริงๆริงรุ่นหลังมาเขาบอกว่าคนที่ได้ดีในยุคหลังก็คือใครที่ล้มอะไรนะใครที่ล้มอาจารย์ได้คนนั้นเก่งเห็นไหมบางแห่งเขาบอกว่าคนที่ได้รับรางวัลสูงสู ง, สงจริงๆก็คือสามารถบอกว่าที่อาจารย์พูดมาก่อนก่อนนี้ผิด คนนั้นก็จะได้รับรางวัลชั้นสูงของโลกเนี่ยนะพะนันไอคนรุ่นหลังมาก็จะบอกว่าอาจารย์ที่ก่อนเนี่ยที่ว่าดีนั่นนะผิดอีกก็จะมีแต่อย่างนี้ไปเรื่อยๆๆเพราะฉะนั้นอีกช่วงหนึ่งนะอย่างแม้กระทั่งวงการแพทย์เป็นต้นช่วงหนึ่งชมยาบางกลุ่มอีกพักหนึ่งฮนะมาบอกไอยานั้นเลวมากนะและอีกกลุ่มใหม่บอกว่าเอออันนั้นก็ใช้ได้อันนี้ก็ใช้ได้นนไดถูกทั้งสองอันนี้ก็ได้ดีอีกอย่างเงี้ยนะมันไม่ค่อยแน่นอนอะไรหรอกไม่เหมือนคําสอนของพระพุทธเจ้า คำสอนพระพุทธเจ้านี่แน่นอนเสมอใครมาใครออกมาคานบั่งวิจาร์แหลกเลยพระไตรปิฎกสูตรนี้ผิดอย่างนี้สูตรนั้นผิดอย่างนั้นความจริงจริงจงมันเป็นอย่างนี้อันนี้ใช้ไม่ได้อะนะเอามาไล่ทีละคําที่เราบทที่เราบทแบบนี้มีใครทำบ้างไหมไม่มีเนี่ยนะแกล้งทําเป็นโง่เฉยๆแล้วไม่สนใจอันนี้อันนี้มีใช่ไหมปิดหูปิดตาไม่ยอมอ่านแล้ววิจารณ์ว่าพระไตรปิฎกไม่ถูกะนะเขามีพระรูปหนึ่งะนะไม่รู้บวชมาได้ยังไงหรอ เขาบอกเขาไม่เชื่อหรอกว่าใจบิดอกมันถูกเคยอ่านไหมเขาบอกมันต้องมีผิดแน่แหละเขาวางนั้นผิดอะไรจะต้องมีพิมพ์ผักอักษรผิดบ้างเขาวางนั้นนะอ่านหรือยังบอกยังอย่างเงี้ยมันไม่รู้บวชมาทําไมก็ไม่รู้มาดูเชื่อว่าตถาคตเพราะพระองค์มีวาทที่ทองแท้เนี่ยนะคำพูดของพระองค์เนี่ยเป็นจริงจริงๆคือพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะตรัสรู้ยิ่งซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในราตรีใด และทรงปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุในรา ต, ตรีใดระหว่างนี้มีเวลาประมาณได้ส5้าพันษาตลอดระยะเวลาแรกตรัสรู้จนถึงปรินิพานพุทธพจน์ทุกคำที่พระองค์ตรัสทั้งหมดเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสุตตะเคยยะเวยาการณาคาถาอุทานิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทัละพุทธพจน์ทั้งหมดนั้นบริสุทธ์บริบูรณ์ และเป็นพุทธพจน์ที่สามารถกำจัดราคะกำจัดความเมาด้วยราคะเมาด้วยโทสะเมาด้วยโมหะเป็นต้นได้อย่างจริงแท้เป็นพุทธพจน์ที่มีอัฏฐะคือวิมุตติรสเนี่ยนะเป็นคำสอนที่เป็นอย่างเดียวกันไม่ผิดไม่พลาดเป็นของจริงของแท้จริงๆพุทธพจน์ที่พระ อ, องค์ตรัสตลอดระยะเวลาเนี่ยมีสูตรใดบ้างที่บอกว่าเอาไปปฏิบัติแล้วกาจัดกิเลสไม่ได้จริงมีไหม ไม่มีเลยมีแต่ว่าปฏิบัติแล้วกําจัดกิเลสได้จริงผู้ที่กําจัดกิเลส ไ, ได้แล้วเนี่ยนะเช่นพระสาวกทั้งหลายก็ไม่ย้อนกลับไปหากิเลสอีกเลยพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นเช่นนั้นพันวาทะของพระองค์ทั้งหมดเนี่ยเป็นความจริงเป็นความแท้เพามาว่านะใครที่เกิดมาในโลกตา ย, ยังใช้ได้เนี่ยก็ว่าน่าจะผ่านสายตาสักรอบหนึ่งก็ยังดีในชีวิตนี้เนี่ยนะตั้งใจไว้เลยว่าจะต้องอ่านสักครั้งหนึ่งนะพุทธพจน์ทั้งหมดเหล่านี้ เธอว่าอะไรนะถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของตัวเองที่เกิดมามีบุญแท้ได้ยินได้อ่านได้ฟังเป็นต้นน่าจะตั้งแบบนี้นะมีแต่คนพานบอกยากลึกไม่รู้เรื่องเป็นต้นยากเราบุญน้อยอุย้ยอ้างเหตุผลจนไม่ต้องอ่านนะนะสรุปว่าอ่านไม่ต้องอ่านเนี่ยมันถูกต้องแล้วมันมาแปลว่าเออมีเหตุผลจนไม่ต้องอ่านนะนะสรุปว่ามีเหตุผลจนต้องโง่ตลอดไปมัน ไม่น่าจะเป็นอยนะ่างนั้นต้องบอกว่าต้องอ่านให้ได้สิถึงยากเนี่ยนะเออนี่ของของดีแท้ๆมีอะไรง่ายบ้างเอาของในโลกของดีของเลิศของประเสริฐวิชาอะไรที่มันของของถูกของต้องของดีจริงน่ะมีอะไรง่ายบ้างมานอกจากมักง่ายเนี่ยไม่มีหรอกมีแต่ยากยากทั้งนั้นแหละทุกอย่างที่มาตรฐานในโลกเพราะฉะนั้นทํำยังไงที่เราจะได้มีโอกาสได้อ่านได้เรียนได้ฟังเป็นบุญของเราแล้วเนี่ยนะที่ได้ยินได้ฟังเอออย่างนี้เราก็ไม่เคยเห็นเอออย่างงี้ก็ไม่เคยได้ยินก็มีแต่อย่างนี้สิใช่ไหม นี่ก็เอ๊ะทำไมไม่เห็นเราไม่เห็นรู้เลยเนี่ยก็จะเอาตัวเองไปเป็นมาตรฐานให้พระพุทธเจ้าได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะก็ต้องเอาพระพุทธเจ้าเป็นมาตรฐานเออความจริงมันเป็นอย่างนี้พระองค์ตรัสว่าอย่างนี้ทําไมเราไม่เคยรู้มาเห็นมาก่อนเออนี่ดีจริงแท้เออรั ก, กําจัดความไม่รู้แต่ละครั้งก็ควรจะดีใจใช่ไหมเอาวิชามันลดไปเท่าไหร่ก็ควรจะดีใจเท่านั้นแต่นี้มันแหมก็ไม่โง่เออโง่ต่อไปก็ไม่เห็นเป็นไรนี่เ่านั้น เพราะฉะนั้นสรุปว่าหาเหตุผลจนบอกว่าไม่อ่านน่ะถูกต้องแล้วนะไม่อ่านพระไตรปิฎกนี่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะเพราะยากลึกอ่านแล้วไม่รู้เรื่องอ่านแล้วไม่เข้าใจอย่างเงี้ย น, นะเขบอกว่า อ, อะไรจะขวางกั้นตัวเองขนาดนั้นอย่าไปเลยนิพพานว่างั้นนะอยู่ในวัด ต, ตะเดินทางมันไปเรื่อยๆจะหลังน้ำตาสักเท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะว่างั้นก็เลยบอกทางไปนิพพานนี่มันยากพระพุทธเจ้าบอกว่าทางนี้เป็นทางสายเดียวว่างั้นทางตรง ปฏิบัติแล้วไม่โคดไม่เอียงไม่เอาขอไปทางโค้งๆดีกว่านะเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนที่พูดไว้อย่างชัดเจนที่สุดไม่มีใครที่พูดอะไรได้ชัดเจนเท่ากับพระพุทธเจ้าอีกแล้วอย่างนรกสวรรค์เป็นต้นเนี่ยเออน่าจะมีมั้งนรกย่างเนี่ยน่าจะใช่ไหมไม่มีอบายทุกติวินิบาตนรกเนี่ยพูดอย่างมั่นใจด้วยนะองค์อาสนาพาเผยแล้วก็ไม่มีใครกล้าค้านด้วย แล้วบอกด้วยนะว่าถ้าเธออยากเห็นนะรกเธอทําอย่างนี้สิบอกข้อปฏิบัติไว้เบ็ดเสร็จหมดนะนะแล้ปัญหาว่าทําตามได้หรือเปล่าอีกนะนะทุกอย่างของพระพุทธเจ้าไม่มีซ่อนเงื่อนบอกทุกอย่างนะจนเป็นผู้ที่บอกเลยว่าไม่มีใครว่าไม่มีอะไรในกำ ม, มืออาจารย์นะเป็นอาจารย์ที่ที่มีคุณสมบัติของความเป็นอาจารย์ที่สุดที่เรียกว่าศาสถาเทวมนุษยานังเนี่ยนะนะเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะ เป็นเป็นศาสดาที่ที่สอนประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งขณะเดียวกันก็พาออกจากชาติชรามรณะพาออกจากวัตฏะน่นซึ่งพระองค์ก็ยืนยันก่อนจะปรินิพพานพระองค์ก็ยังยืนยันอีกว่าจุนทะก็ตถาคตตรัสรู้ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในราตรีคือวันวิสาขะเพนเดือน6และปรินิพพานในวันวิสาขาเพนเดือน6อีกเหมือนกัน ตลอดระยะเวลาระหว่างนี้พาสิทธ์คำที่พูดกล่าวแสดงธรรมะใดธรรมะนั้นทั้งหมดย่อมเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหาได้เป็นอย่างอื่นไม่เพราะฉะนั้นเขาจึงเฉลิมพระ น, นามวัตถาคตเพราะ45ปีแล้วมีปัญญาเท่าภาษาริบตรเคยเห็นภาษาริบุ ต, ตามค้านัหมไม่ใช่พระองค์ว่าปีนั้น่ะพระองค์ตรัสอย่างนี้นะปีนี้ทำไมพระองค์เปลี่ยนน่ะนะ พระนนเนี่ยจาแม่นที่สุดใช่ไหมเอ๊ะตอนนั้นพุทธเจ้าทําไมตอนนั้นพระองค์ว่าอย่างนี้ตอนนี้ทำไมมาเปลี่ยนแล้วพระเจ้าข่าเป็นตนน้นเไม่มีนะพระนนจําแม่นที่สุดยังกับเครื่องยิ่งกว่าเครื่องบันทึกเสียงอีกเนะเพราะเครื่องบันทึกเสียงก็รับได้แต่รับแต่เฉพาะนั้นแล้วท่านแบบฟังแล้วเข้าใจอย่างทะลุปรุปโปรงแยกแ ย, ยะออกแล้วคนคิดมาทุกคำนะท่านบอกไม่เห็นมีขัดอะไรกันเลยเนี่ยนะนั้นาใครมองว่าพระไตรปิฎกขัดกันเองเนี่ยนะพุทธพจน์สูตรนั้นขัดกับสูตรโน้นสูตรโน้น ข, น, นขัดกสูตรนี้ เป็นต้นเนี่ยถ้าใครทําได้จริงๆเนี่ยก็เก่งกว่าพระอานนุนเก่งกว่าภาษารีบุตรเอาทีนี้ออกมาถามบ้างว่าสัพเพธรรมานตากับอัตติอัตโนนาโถต่างกันไหมอา้าวบอกว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเพราะอีกภาคหนึ่งพระพุทธเจ้า ก, ก็บอกว่าอัตติอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนต่างกันหรือไม่ต่างกันก น, นะก็เอาไปคิดดูกันแล้วกัน คือสรุปว่าวพุทธพจน์ทั้งหมดเนี่ยนะไม่มีผิดไม่มีพลาดไม่มีเพี้ยนถูกต้องเสมอแต่เราอาจจะเข้าใจพุทธพจน์ไม่ถูกต้องก็ได้นนะอาจจะเข้าใจพุทธพจน์ไม่ตลอดสายก็ได้นี่มาดูพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้จริงขนาดนี้บางคนนะเขาบอกว่าในโลกเนี่ยบางคนเนี่ ย, นนยรู้แต่พูดใช่ไหมแต่ไม่รู้จักกระทาเลยรู้แต่พูดไม่รู้จักปฏิบัติพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นไหมมาดูพระธถาคตต่ตอไป เชื่อว่าตถาคตเพราะกระทาอย่างนั้นเมื่อกี้เนี่ยพูดแล้วใช่ไหมนี่มาทำดูแล้วสิ่งที่พระองค์ทาว่าความจริงเนี่ยพระกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยคล้อยตามพระวาจาการกระทาทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามแนวของคาพูดทุกอย่างคำพูดทั้งหมดนี่ก็ไม่ขัดกับกายเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงเป็นยะถาวาทีตถาการีปแปลว่าพูดอย่างใด ก็ทำอย่างนั้นเป็นยะถาการีตถาวาทีทําอย่างใดก็พูดอย่างนั้นอธิบายว่าทั้งพระวาจาทั้งพระกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยผู้เป็นอย่างนั้นย่อมมีด้วยประการใดพระองค์นี่ดําเนินไปคือเป็นไปโดยประการนั้นทุกอย่างเนี่ยสอดคล้องกันไปหมดไม่มีขัดกันเองบอกเพราะไม่เหมือนกับบางคนใช่ไหมโอ้ยนี่มันรู้แต่พูดแต่ไม่รู้จักทําไอ้คนนี้รู้จักทําแต่ไม่รู้จักพูดเป็นต้นเนี่ยพระองค์นี่สมบูรณ์ทั้งพูดด้วยทําด้วย ทำอย่างที่พูดพูดอย่างที่ทำหมดเลยอันหนึง่งพระกายเป็นอย่างไรแม้พระวาจาก็ตรัสไปคือเป็นไปอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงทรงพระนามว่าตถาคตด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทางหลายตถาคตกล่าวอย่างใดกระทำอย่างนั้นกระทำอย่างใดก็กล่าวอย่างนั้นรวมความว่าเป็นยะถาวาทีตถาการี กล่าวอย่างใดก็ทําอย่างนั้นยะถาการีตถาวาทีทาอย่างใดก็พูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าตถาคตเพราะว่าทําอย่างที่พูดพูดอย่างที่ทำเนี่ยนะไม่มีคําว่าเลยเถิดเนี่ยนะเคยได้ยินมาพูดเจ้านะถ้าเรานะเราจะต้องเอ่อพระองค์บบแบบอะไรนะพูดเผือๆนะเราว่าเราจะต้องทําอันนั้นอันนั้นอันนั้นอันนั้นมีไหมแล้วก็ทําไม่ได้ไม่มีเนี่ยนะแล้วทําอะไรแล้วค่อยมาพูดทีหลังก็ไม่มีพระองค์เนี่ยเป็นไปตามเรียกว่าสอดคล้อง มันเป็นทั้งอะไรนะเป็นผู้ที่พูดด้วยทำด้วยทำด้วยพูดด้วยพูดด้วยทำด้วยเนี่ยนะไม่มีการขัดกันเองเนี่ยนะซึ่งคนทั่วๆไปในโลกอันนี้มันดีแต่พูดไม่รู้จักทำ น, นะไอคนเนี้ยดีแต่ทำพูดไม่เป็นเห็นไซึ่งก็เป็นเป็นเหตุให้คนเขาตําหนิกันเองใช่ไหมในยุคนี้แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นไปนหาศาสดาที่ไหนดีกว่านี้อีกแล้วนะแต่เชื่อไหมไม่ค่อยนับถือพระพุทธเจ้านะเนี่ย คือถ้านับถือพระพุทธเจ้าน่ะเชื่อไหมศาสนาไม่มีคํำว่าเสื่อมแต่ทําไมที่ทุกวันนี้มันเสื่อมลงเสื่อมลงก็เพราะว่าไม่ค่อยนับถือพระพุทธเจ้าพอไปนับถือคนอื่นกินเอาผู้อื่นแทนพระพุทธเจ้าไปแล้วก็เลยเสียหายเลยคันนี้ก็พุทธังสารนังฆาฉามิแต่วาจาเนี่ยนะแต่วาจาก็กลายเป็นว่าเอาไปเอามาก็ตกจากสาระไปนานแล้วเนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆนั้นเราอยาได้เป็นอย่างนั้นเลยเขามาว่าเสื่อมอะไรก็ช่างเถอะตาจะเสื่อมหูจะเสื่อมยังไงก็ช่างเถอะ ขอศรัทธาอย่าได้เสื่อมจากพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยนะให้มีศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าเธอนั่นจะเป็นไปเพื่อพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตและนรกเนี่ยนะนะเพราะว่าเดี๋ยวก็โบกมืออำลากันแล้วใช่ไหมวันนี้ตายไปเท่าไหร่นะร้อยกว่าใช่ไหมร้อยกว่าวันเนี้ยวันเนี้ยตายไปร้อยกว่าจนพรวันนี้ตายไปร้อยกว่าแล้วเนี่ยก็โบกมืออำลากันอีกกันนะเขามายังนึกในใจเลยนะเคยบางแห่งเนะี่ยบอกเอ๊ะที่ฆ่าปีนี้จะเหลือเท่าไหรนะ่น้อ นะอีก10ปีนี้จะเหลือสักเท่าไหร่เนาะบางทีคนพูดอาจจะไม่เหลือแล้วก็ได้เนี่ยนะนะสังขารทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้แล้วอนุ์เราเคยบอกเคยเตือนไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นไปสรุปว่าตายหมดเกิดมาเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นเนี่ยนะมันะมก็ยังไงยังไงก็จะได้ เขาบอกว่ า, าธาตุดินยังเปลี่ยนาธาตุน้ำก็เปลี่ยนาธาตุไฟก็เปลี่ยนาธาตุลมก็เปลี่ยนแต่ใจของอริยะสาวกที่ตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าไม่เปลี่ยนมันเมื่อใดเนาะศรัท ธ, ธาของเราจะตั้งมั่นแบบนั้นบ้างบางคนก็เลยทงก็ศรัท ธ, ธาไม่เที่ยงเขา่าไง ท, อ, อ, ทอย่างนี้ทาเป็นไม่เที่ยงเลยทเป็นอนนีน้จังเลนะน่าการุณาที่สุดเลยนะ เพราะว่าศรัทธาไม่เที่ยงก็จริงโดยสภาวะเพราะศรัทธาก็เป็นสังขารธรรมแต่เกิดอย่างต่อเนื่องไม่มีเปลี่ยน น, นะเรียกว่าทิศทางอันนี้ไม่มีเปลี่ยนต่อไปชื่อว่าตาคตเพราะอถ า, าวะครอบงำนะข้อสุดท้ายคือรู้จริงอย่างนี้เพราะพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเครื่องมือของผู้ใด ข, ข, ข้อสุดท้ายเนี่ยน ะ, ะมุ่งอธิบายในฐานะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเครื่องมือของผู้ใด เพราะฉะนั้นพระองค์จึงเชื่อว่าผู้ครอบงำถามว่าเป็นอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าตถาคตเพราะทรงกระทาพวกรพรมไว้ในเบื้องบนนะถ้าบนชั้นบนสุดก็คือพวกรพรมภวกรพรมคือที่ไหนเนวสัญญาณาสัญญายัตนะเบื้องล่างจนถึงอเวจีนรกเบื้องขวางานะ เบื้องความก็หาที่สุดไม่ได้พระองค์นี้ทรงครอบงำสรรพสัตว์ในโลกธาตุหาประมาณไม่ได้คือไม่มีผู้ใดเนี่ยเอาศีลมาครอบงำมาสมมติว่ามีใครเดินมาบอกท่านเนี่ยมีศีลไม่ดีเท่าข้าพเจ้าไม่มีใครเนี่ยเอาศีลเนี่ยมาแข่งกับพระพุทธเจ้าได้เอาสมาธิมาแข่งกับพระพุทธเจ้าเอาปัญญามาแข่งกับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่มีใครเนี่ยเอาศีลสมาธิปัญญามาครอบงามพระพุทธเจ้าได้เลยพระพุทธเจ้าไม่รู้นะนี่ยเรารู้กว่าพระพุทธเจ้ายังไงเคยได้ยินไหม ไม่มีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าครอบงำผู้อื่นเนื้อกว่าผู้อื่นที่สุดว่าด้วยศีลว่าด้วยสมาธิว่าด้วยปัญญาวิมุตติยานัตถสนะเพราะฉะนั้นพระคุณของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุติถสนาเนี่ยช่างไม่ได้หรือกะประมาณไม่ได้โดยที่แท้พระองค์เป็นผู้อันใครๆช่างไม่ได้ประมาณไม่ได้พระองค์นี่ยอดเยี่ยมขนาดว่าเป็นเทวดาของเทวดาแปลว่าเป็นผู้ที่เทวดานับถือ เป็นสักกะยิ่งกว่าเท้าสักกะหมายคือว่าพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ของเท้าสักกะเป็นพรหมยิ่งกว่าพรหมเพราะพรหมต้องอาราธนาให้แสดงธรรมเนี่ยนะเพราะพรหมทั้งหลายก็เป็นลูกศิษย์ของพระองค์เพราะพระองค์เนี่ยแนะนําให้พรหมเนี่ยพ้นจากทุกขพระองค์เนี่เป็นผู้สูงสุดกว่าสพัพพสัตเนี่ยนะสัตว์ทั้งมวลเนี่ยพระพุทธเจ้าเหนื้อที่สุดเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพี่สูตทั้งหลายแตถาคตเป็นผู้ยิ่งใหญ่ใครๆครอบงําไม่ได้เห็นได้โดยท่อง เห็นได้ท่องแท้แผ่อำนาจไปในโลกพร้อมทั้งเทวโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งเทวดามนุษย์เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพระตถาคตเนี่ยนะโปรองตรัสว่าในบรรดาสัตว์สองเท้าสัตว์4เท้าสัตว์ไม่มีเท้าตลอดจนถึงอรูปประพรมพระพุทธพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลิศที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นหมู่สัตว์เนี่ยแตกีล้านจักรวาลก็ตามเธอก็มีพระคุณทั้งหมดช่าง เรว่าเทียบพระพุทธเจ้ า, าไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้ า, านี่สูงที่สุดเนี่ยนะบางคนบอกสูงจนเลิกจนเกินที่จะนับถือหรือเปล่าบางคนก็บอกว่านี่เขาว่างไงนะไม่รู้มายัางไงอีกไม่ทราบพระพุทธเจ้ า, านี่มีพระคุณหาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเจริญพุทธคุณเพราะเจริญยังไงก็เจริญไม่หมดเออไม่รู้มายัางไงอีกไม่ทราบเป็นนักวิชาการด้วยนะสอนธรรมะด้วยบางคนอนะ่ะมายัางไงไม่ทราบอีกเออขนาดนี้แล้วอ่ะเห็นไหม เพราะไม่ได้เป็นอย่างนั้น่ะนะก็เจริญตามสมควรแก่ฐานนะดวงอาทิตย์จะส่องสว่างไปมากมายขนาดไหนอย่างน้อยที่สุดให้เรามีดวงตามมองเห็นพอที่จะเห็นได้ก็ยังดีเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้ามีพระคุณหาที่สุดมีได้ที่เรามาเจริญพุทธคุณไม่ได้เจริญให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้เท่าพระพุทธเจ้าแต่ให้รู้แล้วได้ประโยชน์จากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเราทั้งหลาย เราก็บอกว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากพระพุทธเจ้าบ้างใครเคยตั้งคําถามว่าเราได้อะไรจากพระพุทธเจ้าบ้างถามตัวเองนะเอ้เราได้อะไรจากพระพุทธเจ้าบ้างติดไม้ติดมือไปเนี่ยได้อะไรบ้างนะได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาได้วิมุตติได้วิมุตติญาณนัทธสนะได้ฮีริได้โอตปะเป็นต้นเนี่ยมาถามดูว่าเราได้อะไรจากพระพุทธเจ้าบ้าง ไดอ้อริยสัพพ์คือสัทธาอริยสัพพ์คือศีลอริยสัพพ์คือหิริโอตตาอริยสัพพ์คือสุตตอริยสัพพ์คือปัญญาได้พอหรือยังพอใช้หรือยังเนี่ยนะ น, นั่ยเพราะพระพุทธเจ้าเป็นบ่อกเกิดแห่งรัตนะใช่ไหมเพราะพระพุทธเจ้าชื่อว่าศักกะเพราะมีทรัพย์มากเนี่เราได้อะไรจากพระองค์บ้างถ้าเราไม่ได้อะไรเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าจะว่าอย่างไงใครมาหาพระองค์แล้วไม่ได้อะไรเลยเนี่ยพระองค์จะจะดีใจไหมพระองค์คงสงสารมากเลยนะ ดีใจด้วยกรุณาไงเจริญกรุณาจนปีติเพราะตาติยะชานเป็นต้นไอ้ทุติยะชานเกิดอะนะสงสารจริงๆเลยนะสงสารจับใจเลยนะพระองค์ก็สงสารจริงๆแต่กรุณานี่ไม่ได้เครียดนะกิร่วมกับปีตินะกรุณานี่เกิดร่วมกับปีติมันใครที่ศึกษาในพระพุทธศาสนาอย่างไรเสียก็ควรที่จะได้เอาประโยชน์ไปให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทําได้นี่นะนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ ดินน้ำไฟลมอะไรหรอกแต่ให้อริยทรัพย์ทั้งหลายเพราะว่าในโลกนี้นะพระมหากรเจนะท่าน ย, ยืนยันเสมอว่าในโลกนี้สิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือศีลกับปัญญามันเราได้ปัญญาอะไรจากพระพุทธเจ้าบ้างได้กุศลธรรมได้ศีลอะไรจากพระพุทธเจ้าไปบ้างมันศีลห้าก็ย่วร่วงบ่อยเลยนะตกลงหล่นๆอย่างเงี้ยไม่ดีนะมันก็ให้ได้ศีลไปก็ยังดีนะได้ไว้ว่าได้ฟังไงอย่างเงี้ยนะได้ยินแว่วๆผ่านหูไม่พอเนาะ เกี่ยวกับคํำมาตรฐาคตเนี่ยนะก็ามาจากศัพท์เขามีศัพท์สําเร็จรูปตังต่อไปนี้ว่าพระดํารัสของพระองค์เนี่ยเหมือนยาวิเศษยาวิเศษยังไงเพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นเทศนาวิราชยักย้ายคําสอนเหมาะตามตามจริตเหมาะตามอัธยาศัยเหมาะตามอุปนิสัยของสัตว์เพราะฉะนั้นผู้ควรแก่การบรรลุสมัยพุทธกาลพระองค์ช่วยให้บรรลุได้หมดเลยเนะที่พระองค์ช่วยได้นะ ขณะเดียวกันเนี่ยอ้าวแล้วบางคนเขามีอุปนิสัยบรรลุได้แต่ทําไมเขาไม่ได้บรรลุอย่างเขามีในะสมัยพุทธกาลเนี่ยอย่างเช่นพระเจ้าอาชาติสตรูถ้าไม่ฆ่าพ่อจะเป็นพระโสดาบันพระสุทินเนี่ยนะถ้าไม่ไม่เป็นต้นเหตุแห่งการทําอบัติปราชิกท่านก็จะบรรลุเป็นพระอริยะทําไมพระพุทธเจ้าไม่ช่วยท่านเหล่านั้นแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องว่า เศรษฐีชาวเมืองพาราณสีสองสามีภรยาที่ขอทานเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าออกบวชตั้งกระหนุ่มสามีจะเป็นรพระอรหันต์ภรยาจะเป็นพระอนาคามีถ้าออกบวชตอนกลางคนสามีจะเป็นพระอนาคามีภรยาจะเป็นพระสกะทาคามีถ้าบวชตอนท้ายนะสามีจะเป็นพระสกะทาคามีภรยาจะเป็นโสโดาบันถ้าทรมาหากินก็จะเป็นมหาเศรษฐีของเมืองแต่ตอนหลังก็สองสามีภรยาถือกับเบื้องเที่ยวขอทาน ก็มีผู้ถามว่าทําไมพระพุทธเจ้าไม่ช่วยทั้งๆที่พอรู้นะว่าเขาเนี่ยพอบรรลุได้พอบรรลุได้แต่สอนไม่ได้จะไปช่วยอะไรเขาได้เนี่ยนะอย่างหลายคนเนี่ยนะอย่างในโลกนี้ยุคนี้นะคนที่ศึกษาพระธรรมได้เนี่ยนะความสามารถในการศึกษาพระธรรมมีเยอะมากแต่เขาไม่ยอมศึกษาจะไปว่าอะไรเขาเนี่ยนะใช่ไหมเพราะเขาไม่ยอมเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยมีทรัพย์อันนะมีทรัพย์พอที่จะลงทุนทําอะไรก็ได้แต่เอาไปพลานกินเหล้าหมดเกลี้ยงไปทําอะไรเขาได้เนี่ยนะ พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันผู้ที่สมควรแก่การช่วยเหลือพอที่เกื้อกูลได้พระองค์เกื้อกูลหมดไอ้พวกที่เกื้อกูลไม่ได้คือมันสุดวิสัยจริงๆไม่ได้พระองค์ก็พระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีกรุณาช่วยผู้ที่สมควรช่วยเพราะเป็นการช่วยของพระองค์เนี่ยไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพราะพระองค์มีปัญญาและมีกรุณาขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าไม่ใช่ลักษณะผู้เสกผู้สร้างคนแต่ผู้สอนคน บางสูตรนี่บอกเลยว่าตถาคตเนี่ยจะไปว่าอะไรเขาตถาคตเป็นแต่คนบอกทางก็บอกทางว่าไปอย่างนี้เขาไพร่ไปที่ อ, อื่นจะไปว่าอะไรเขาใช่หมเขามาขอทางบอกเออทางเนี่ยสมมติว่าพระองค์ประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีคนมาถามทางไปเมืองราชครึกพระองค์ก็บอกให้หมดอ่ะนะถ้าเขาไม่ไปจะไปว่าอะไรเขาพระนิพพานเป็นต้นก็เหมือนกันพระองค์รู้แล้วพระองค์ก็บอกหมดก็อย่างสมัยอย่างสมัยนี่ใช่ พระไตรปิฎกพระองค์ก็สอนไหม่หมดแล้วถ้าเขาไม่เปิดอ่านจะไปว่าอะไรเขาขนาดไม่ว่านะเนี่ยมาดูว่าพระพุทธพจน์ทั้งหมดของพระองค์เนี่ยเป็นเทศนาวิราที่สามารถสอนยกักย้ายตามอัธยาศัยของสัตว์ได้ขณะเดียวกันเนี่ยการที่สัตว์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังคําสอนของพระองค์ก็เป็นการสั่งสมบุญเนี่ยนะอย่างน้อยผู้ที่เงี่ยหูลงฟังก็ถือว่ามีวาสนาเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยที่จะให้ ตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเพราะเหตุนั้นความที่พระองค์เนี่ยนะมีความสามารถในการแสดงธรรมได้อย่างางดงามและพระองค์เป็นผู้สั่งสมบุญไว้มากขณะเดียวกันก็ยัง เ, เป็นการสอนให้สัตว์ทั้งหลายสั่งสมบุญพระองค์จึงครอบงำคนที่เป็นประประวาตลัธิมิ ช, ชาทิชิตอื่นได้ทั้งหมดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเหมือนแพทยผู้มีอนุภาพมากใช้ยาทิพ กำราบงูทั้งหลายฉชนนั้นเนี่ยนะสมัยก่อนนี่สงสใช้แต่ยาปราบงูมากเนาะอุปมาเมื่อไร่ก็เป็นอย่างงี้ยนะงูเยอะเนะเสนฟานงูเยอะเพราะงูกัดเนี่ยนะงูบางตัวเนี่ยนะมันพิษมันร้อนแรงมากเดี๋ยวข้างหน้าต่อไปเนี่ยมีงูอยู่ตัวหนึ่งตกใส่พระนะอุปเส์วังคันตบุตรเนี่ยนะตายเลยนะกระดูกกระจัดกระจายเรื่ยออไรไปหมดงูเขาสมัยก่อนนี่พิษแรงมาก อีกอย่างหนึ่งชื่อว่าตถาคตที่บอกว่าเสด็จไปโดยประการนั้นนะคือเสด็จไปอย่างทองแท้ที่ชื่อว่าเสด็จมาถึงพระพุทธเจ้านี่มาถึงอะไรคือถึงโลกบรรลุถึงโล ก, ลโลกทั้งสิ้นโลกก็คืออะไรนะโลก1โลก2 3งสามสี่ห้าหกโลกหนึ่งคืออะไรสัเพสัตาหารติติกาโลกสองนามัญจะรูปัญจะนามรูปโลกสติดโสเวทนาเวทนาสโลกส อาหาร4โลกหอุปาทานขันหโลก6อายตนะภายใน6โลก7วิญญาณทิติ7โลก8โลกธรรม8โลก9สัตวาเ9โลก10อายตนะ10โลก12อัายตนะ12โลก18ธาตุโลกเหล่านี้เนี่ยนะพระองค์ตรีระปริญญาเรียกว่ารับรู้โดยการใคร่ครวญทั้งหมดอย่างทะลุปรุงไม่มีเหลือเลยนะ เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าตถาคตเพราะมาถึงคือรอบรู้ทุกอย่างะนะไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่รู้พระองค์รู้แล้วเอามาแสดงจนคนคนอ่านเนะี่ยยังไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้มากจนอะไรนะจำไม่ได้เลยนะฟุ้งเลยก็มีอ่านอภิธรรมเนี่ยบางทีเนี่ยโอ้โหทไมยากขนาดนี้กลยเนะคือที่จริงอ่ะันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่หรอกมันเยอะมากมันจำไม่ได้ก็เลยบอกว่ายากะนะ พันพระองค์ในี่ไข้ควรวญรอบรู้จริงๆเลยนะขณะเดียวกันพระองค์นี่เสด็จไปคือก้าวล่วงโลกสมุทัยโดยท่องแท้ด้วยปานะปริญญาพระองค์นี่ละเรียกว่าเหตุให้เกิดโลกทั้งหมดเนี่ยนะทำหนึ่งที่ควรละคืออะไรนี่ยทำหนึ่งควรละอัสมิมานะทำสองที่ควรละอวิชากับภาวะตันหาทำสามที่ควรละตันหาสามทำสี่ที่ควรละโอคาสีทำห้าที่ควรละ นิวรห้าทำหกที่ควรละตันหากายะหกทำเจ็ดที่ควรละอนุสัยเจ็ดทำแปดที่ควรละมิชะตะแปดทำเก้าที่ควรละตันหาเป็นมูลเก้าทำสิบที่ควรละมิชะตะสิบเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้เป็นทำที่ควรละพระองค์ละได้ทั้งหมดเนี่ยนะทั้งเดี๋ยวข้างหน้าต่อไปเนี่ยในอาหุสูตรพระองค์พูดถึงสิ่งที่พระองค์ละออกไปเนี่ยนะ เยอะมากเนี่ยนะละด้วยปหาณะปริญญาเนี่ยนะละละด้วยตัดชันนราคะเป็นต้นอย่างหมดเนี่ยนะคือละวิปลาสในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเชื่อว่าตถาคตเพรา ะ, ะเสด็จถึงคือบรรลุ ถ, ถึงโลกกนิโรธโดยท่องแท้ด้วยสัจฉิจกิริยาคือการทำให้แจ้งทำให้แจ้งเนี่ยนะทให้แจ้งซึ่งอะนะ ทำให้แจ้งพระนิพพานได้โดยประการทั้งปวงเนยนะท่านท้าพระองค์เนี่ยทำให้แจ้งที่สุดแห่งชราและมรณะเพราะคําว่าโลกในที่นี้เป็นชื่อของอุปาทานขันห้าหรือโลกหนึ่งเป็นต้นดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยพระองค์แทงตลอดทั้งหมดเลยนะอย่างว่าอะไรนะโลกโลกกสมูทยัยโลกกานิโรธโลกกนิโรธคามินีปฏิปทาพราะโลกกานิโรธที่สุดแห่งโลกเนี่ยนะที่พระองค์เนี่ยที่บุคคลไม่ใช่ไปได้ไปถึงด้วยการ เดินทางของเราเนี่ยนะจะไปให้มันสุดขันท่าอายตนะรีบวิ่งเลยนะไปให้มันสุดเลยนะไปไปไปสุดไหม ย, ยังว่าจะไปพน้นไหมเหมือนกับคล้ายๆกับมีคําถามว่าเดี๋ยวฉันจะวิ่งให้มันให้มันไม่ตายให้มันพ้นจากความตายเลยให้มันทะลุ ค, ความตายไปเลยทําได้ไหมพอ ว, วิ่งยังไงก็วิ่งไปจนถึงวิ่งจนตายตายแล้วเกิดวิ่งไปตายอีกตายแล้วเกิดก็วิ่งไปตายอีกมันไปก็ยังไงก็ไปไม่พ้นเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าจะไปให้มันหลุดโลกไปเลยเนี่ยไปยังไงก็ไม่หลุด เพราะมันเอาโรคไปด้วยอะเหมือนกับว่าคนคนเป็นโรคเอดส์แล้วฉันจะหนีให้มันพ้นโรคเลยนะ ไ, ไปพ้นไหมหรือว่าเอากระเอดมันไปด้วยกันนั่นแหละนี่ก็เหมือนการพระองค์บอกว่าโลกเนี่ยนะไม่มีผู้ใดไปถึงที่สุดด้วยการเดินทางหนีด้วยการเดินทางเพราะไปที่ไหนก็เอาโรคไปด้วยใช่ไหมแต่พระองค์บอกว่าถ้าผู้ใดไม่ทําที่สุดแห่งโลกก็ไม่ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ หมายคขาว่าถ้าไม่ยที่ถึงที่สุดแห่งโลกก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้ที่สุดแห่งโลกอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่การแทงตลอดพระนิพพานเนี่ยนะพระนิพพานนี่ชื่อว่าธรรมะที่ดับโลกเนี่ยนะถ้าหากว่าตรัสรู้ธรรมะที่ดับโลกได้ก็ตรัสรู้ที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วข้อปฏิบัติที่ทำให้ตรัสรู้ที่สุดแห่งทุกข์ตรัสรู้โลกล่ะคือ เชืนน่อว่าตถาคตเพราะเสด็จไปคือปฏิบัติโลกะนิโรธคามินีปฏิปทาสัมมาทิาฏฐิสัมมาสังกัปปะ ส, ส, ส, ส, ส, ส, ส, ส, ส, สัมมาวาจา ส, ส, ส, ส, สัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติ ส, ส, ส, สัมมาสมาธิย่อลงมาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็คือศีลสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็คือสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็คือปัญญาก็คือศีลสมาธิปัญญาเจริญจนประมวล ได้จึงสามารถทําให้แจ้งโลกาณิโรธได้สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายโลกอันตถาคตตรัสรู้ยิ่งแล้วพระตถาคตเนี่ยทรงพรากจากโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยพรากออกจากโลกจริงๆพรากกายและก็พรากจิตออกจากโลกโดยเฉพาะตอนมีพระชนอยู่พรากจิตออกจากโลก เพราะพระองค์แทงตลอดพระนิพพานเนี่ยนะพระองค์พากจิตได้โดยการเข้าพระสมาบัติเพราะการเข้าพระสมาบัติเนี่ยจิตมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าเรียกว่าโล ก, กุตระใช่ไหมนะนะพากออกจากโลกได้เรียกว่าโล ก, กุตระดูกยควาพิสูจนทั้งหลายโล ก, กับสมุทยัยอันตถาคตตรัสรู้ยิ่งแล้วโลกกับสมุทยัยอันตถาคตละได้แล้ว ดูความพิสูจทั้งหลายโลกกนิโรธอันตถ า, าคตตรัสรู้ยิ่งแล้วโลกกนิโรธอันตถ า, าคตทําให้แจ้งแล้วดูก่อมพิสูจทั ina, ้งหลายโลกกนิโรทคามินีปฏิปทาอันตถาคตตรัสรู้ยิ่งแล้วโลกนโนรรลโลกนิโรทคามินีปฏิปทาอันตถ า, าคตบําเพ็ญแล้วดูก่อนพิสูจทั้งหลายธรรมะทั้งหมดนั้นอันตถ า, าคตตรัสรู้ยิ่งแล้วในโลกพร้อมทั้งเทวโลกในมารโลก น, นะในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าตถาคตเนี่ยนะก็นี่คือลักษณะของผู้คุณธรรมของผู้ที่เรานับถือว่าเป็นสาระเมื่อท่านมีความรู้ขนาดนี้ท่านรู้ขนาดนี้ทำไมเราจะไม่ให้ท่านไปนำหน้าเราใช่ไหมผู้ทางสารานางังคชามนีแปลว่าให้ท่านนาหน้าเราไปทุกเรื่องะ น, นะปัญหาว่าเราไม่ค่อยเดินตามท่านนี่ย อนุญาตให้ท่านนำหน้าได้แต่ข้าพเจ้าเดินตามหรือไม่ตามอีกเรื่องหนึ่งว่างั้นเถะข้าพเจ้าไม่ให้พระพุทธเจ้าตามหลังข้าพเจ้าหรอกข้าพเจ้าให้พระองค์เสด็จนำหน้าแต่ข้าพระองค์ก็แอบหนีพักน่ะหนีเที่ยววายยังไงเนี่ยนี่ในแรกผ่านไปนะมาดูตถาคตอีกแปดในนิยะที่สองโดยชื่อนี่ก็คล้ายๆกันหมดนะแต่วิธีทธ่บายนิยตที่สองนี่พิสดารมากเลย เชื่อว่าตถาคตเพราะเสด็จมาโดยประการนั้นเสด็จไปโดยประการนั้นมาถึงสัจจะอย่างนั้นเสด็จไปอย่างนั้นมีประการอย่างนั้นมีความเป็นไปโดยประการอย่างนั้นตรัสด้วยพระยานอย่างนั้นภาวะที่เสด็จไปอย่างนั้นอนนัดคำในยะแรกทบทวนนะเสด็จมาอย่างนั้นเนี่ยมาอย่างไรพิสดารเลยนะคือพระผู้มีพระภาคเจ้าคราวเป็นสุเมตดาบทบำเพ็ญอภินิหารอันประกอบไปด้วยองค์8ดประการแทบบาดมูล คือที่เท้าของพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรดังที่ท่านกล่าวไว้ว่ามนุสสตังเลิงคสัมปติเหตุสัทธารทธสนังต ป, ปชาคุณสัมปติอธิกาโรจัชันทตาอัถ ธ, ธรรมะสโมโธานาอภินิหารโรสมิชติเนี่ยนะอภินิหารคือการตั้งความปรารถนาจะสำเร็จได้เพราะการประชมพร้อมแห่งธรรมะ8 ป, ประการ 1. ความเป็นมนุษย์สอง สมบูรณ์ด้วยเพศคือเป็นชายสามมีเหตุหมายคำว่าชาตินั้นสามารถบรรลุอรหั ต, ตผลได้สีได้พบเห็นพระพุทธเจ้าห้าต้องเป็นนักบวชหกสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมคืออภิญญาห้าสมาบัติแปดเจ็ดบุญญาธิการหมายถึงสละชีวิตอุทิศพระพุทธเจ้าแปดเป็นผู้มีใจรักอย่างแรงกล้าปรารถนาที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ พันใครที่มีคุณสมบัติแปบบประการนี้ก็ปรารถนาสําเร็จทีนี้การตั้งความปรารถนาของท่านท่านก็ประกาศมหาปฏิญญาเรียกว่าเป็นการอะไรปฏิญยาก็คือยืนยันใช่สมัยนี้เรียกว่าสัตว์จปะปฏิญาณใช่ไหมปฏิญาณเลยว่าเราข้ามโลกพร้อมทั้งเทวโลกได้แล้วจากยังสัตว์ให้ข้ามด้วยเนี่ย คือข้ามจากวัตตะและจะพาผู้อื่นข้ามด้วยเราหลุดพ้นแล้วเนี่ยนะวิมุตตวิมุตตแล้วเนี่ยนะจักยังสัตให้วิมุตต์ด้วยเราฝึกตนแล้วก็จะยังผู้อื่นให้ฝึกด้วยเราสงบแล้วจะให้ผู้อื่นสงบด้วยเราโล่งใจแล้วจักยังผู้อื่นให้โล่งใจด้วยเราปรินิพานแล้วจักยังผู้อื่นให้ปรินิพานด้วยเราตรัสรู้อริยสัจแล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วย ถ้าใช้คำว่าตรัสรู้ก็คือถ้าเราทําปริญญาแล้วจะให้ผู้อื่นทําปริญญาด้วยเราประหนาแล้วจะให้ผู้อื่นทําประหนะด้วยเราทําให้แจ้งแล้วจะให้ผู้อื่นทําให้แจ้งด้วยเราเจริญอริยมรรคแล้วจะให้ผู้อื่นเจริญด้วยเนี่ยนะดูว่าผู้อื่นคือเราทั้งหลายจะทําตามได้แค่ไหนนะท่านก็ตั้งใจจริงๆนะพระพุทธเจ้าดูแล้วผมก็ตั้งใจจริงๆเลยนะที่จะช่วยเหลือเราเนี่ยนะปัญหาว่าเราช่วยเหลือตัวเองมัางไม่ช่วยบ้างเนี่ยน่าหนักใจเหมือนกันนะ เราเราหนักใจหรือพระพุทธเจ้าหนักใจหนักใจกับตัวเองเหมือนกันหลายคนบอกไม่หนักใจกับตัวเองจริงๆทาไมทําตามไม่ได้ทําไมไม่ทําเป็นต้นนะนะใบมาก็เลยเครียดเลยเนี่ยคุยกับตัวเองไม่ค่อยรู้เรื่องนะนี่สมจริงดังพระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสไว้ในคัมภีรคัมภีรคัมภีรพุทธวงศ์คัมภีร์พุทธวงศ์เล่มเจสาเนี่ยนะคัมภีรพุทธวงศ์เล่มเจ็สิบสามพระองค์ตรัสไว้ว่า นนะตรัสถึงตอนที่พระ อ, องค์เป็นสุมเมศว่าเราเป็นชายผู้มีพลังข้ามพ้นไปแต่เพียงผู้เดียวจะมีประโยชน์อะไรเราบรรลุสัพพัญยุตยานตอนนี้เป็นตัวแทนของอาสาธารณายานหกนะนะเมื่อเราบรรลุสัพพัญยุตยานแล้วจะยังโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามได้ด้วยด้วยบุญญาธิการนี้ก็คือด้วยบุญที่สละชีวิตอุทิศพระพุทธเจ้าครั้งนี้ เพราะตอนนั้นเนี่ยท่านล้มตัวลงนอนในคโคลนเนี่ยนะเพื่อให้พระพุทธเจ้าเหยียบจะได้ข้ามไปได้เพันธุ์อธิการคือการสละชีวิตถวายพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นเนี่ยขอให้ได้บรรลุสัพพัญยุตยานจะได้ช่วยโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามด้วยเราเป็นชายชาติมีพลังเนี่ยนะบรลลุสัพพัญยุตยานแล้วจะให้หมู่ชนเป็นอันมากข้ามได้ด้วย พลังคือศรัทธาเนี่ยนะคำว่าพลังในทีนี้คือคือมีกำลังไม่ใช่ว่าโอ้ยท่านอะไรนะแข็งแรงมากยกก้อนหินได้เป็นตันเนี่ยไม่ใช่แต่หมายถึงว่าท่านมีศรัทธาเป็นกำลังมีวิริยะเป็นต้นเป็นกำลังเนี่ยนะท่านมีศรัทธามากเนี่ยเราตัดกิเลสนะเราตัดกิเลสดุดกระแสในสังสาระทำลายภพสามขึ้นสู่นาวาคือโพธิปัขยธรรมหรืออริยมรรคเนี่ยนะ จักยังโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามด้วยตัดกระแสกิเลสอันนี้ก็เป็นสมุทัยสัตร์ใช่ไหมข้ามข้ามสงสารก็คือทุกขสัตว์ทำลายภพสามนะภพสามสงสารในภพสามก็คือทุกขสัตว์ขึ้นสู่นาวาคือทรรมเป็นชื่อของมรรคสัตจ์จะถ้าทากิจอันนี้สำเร็จแล้วจกให้เทวโลกเป็นต้นข้ามได้ด้วย เราทําให้แจ้งธรรมะในที่นี้หมายค่ะว่าถ้าท่านฟังธรรมจากพระพุทธพจน์นะฟังธรรมไม่ถึงสองบรรทัดท่านจะบรรลุเลยชาติที่เป็นสุเมธนะถ้าท่านฟังธรรมไม่เกินสองบรรทัดท่านจะบรรลุเลยท่านบอกว่าการที่เราทําให้แจ้งธรรมะนี้ในที่นี้ด้วยเพศที่ผู้อื่นไม่รู้จักนี่จะมีประโยชน์อะไรนะจะประโยชน์อะไรใช่ไหมเพราะอะไรเพราะคนเขามีกําลังใช่ไหมเรื่องอะไรจะอะไรนะเรื่องอะไรจะ อ, อิ่มแต่เพียงผู้เดียวใช่ไหม เราบรรลุสัพพัญญุตยานแล้วจกเป็นพระพุทธเจ้าในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกเนี่ยนะก็จะได้ช่วยสงเคราะห์สรรพสัตว์ได้นั่นเองก็พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระโลกกนาตคือที่พึ่งของโลกเมื่อตรัสมหาปฏิญญานี้นั้นอันเป็นเหตุแห่งการค้นคว้าพิจารณาและสมาทานหมวดธรรม หมดธรรมอันนั้นก็คือบา ร, รมีใช่ไหมตอนแรกท่านค้นคว้าก่อนว่าอะไรคือธรรมะที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาองค์ของบา ร, รมีทั้งหมดแล้วก็สมาทานในการปฏิบัติบา ร, รมีกระทำความเป็นพุทธะแม้ทั้งสิน้นไม่ให้คลาดเคลื่อนแล้วก็ทำได้จริงๆด้วยนะเพราะเหตุที่ทรงบำเพ็ญพระบา ร, รมีสามสิบทัศมีทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฐานเมตตาอุเบกขา บารมีสิบอุปปารมีสิบปรามัทธปรมีสิบได้อย่างสิ้นเชิงโดยติดต่อกันอย่างเคารพไม่ใช่ทําำทำิ้งๆข้างๆทําครั้งเดียวแล้วก็เลิกไปสามปีเป็นต้นไม่ใช่นะนบางคนนี่เป็นอย่างนั้นอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนะเขาบอกพระไตรปิฎกอ่านไม่รู้เรื่องอ่านได้หนึ่งหน้าแล้วก็ง่วงแล้วอีกสามวันมาอ่านต่ออย่างงี้ยนะเว้ยถ้ารู้เรื่องมันก็เกินไปแล้วอเนาะนั้นอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยนะท่านทําอย่างต่อเนื่องทําอย่างเคารพ ขณะเดียวกันก็มหาบริจาคห้าบริจาคอวัยวะบริจาคชีวิตบริจาคบุตรภริยาและราชสมบัติพอกพูนอธิษฐา น, นธรรมสประการสัจจาธิฐา น, นนะอนธิษฐานคือสัจจะอธิษฐานคืออุปสมะอธิษฐานคือจากะอุปสมะจักะนะไปดูในธาตุวิพังกสูตรกันแล้วกันพระองค์นี้เพิ่มพูนเอ่อเพิ่มพูนบุญยสมภาระเนี่ยนะและยาณสัมภาระเพิ่มพูนบุญ แต่บุญทุกชนิดเน้นปัญญาเป็นหลักเนี่ยนะให้ทานก็เป็นการให้ที่ประกอบด้วยปัญญารักษาศีลเป็นต้นนะนะท่านทําบุญทุกอย่างแต่ที่ท่านขาดไม่ได้เลยคือปัญญาเนี่ยนะส่งให้บุรพประโยคบุพพเจริยาธรรมกถาการแสดงธรรมยาตตะจริยาสงเคราะห์ญาติเป็นต้นให้อุกฤษจนถึงที่สุดประพฤติพุทธจริยาให้ถึงเงื่อนที่สุดอย่างยิ่ง สิ่งที่พระองค์ทําอย่างนี้สิ้นสี่อสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนมหากรับจึงได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอนุตระก็คือสุดยอดแล้วนะสัมมาสัมโพธิญาณก็คือญาณที่ตรัสรู้ที่สูงสุดสูงสุดยอดเพราะฉะนั้นมหาปฏิญาณนะมหาปฏิญญานั้นของพระองค์นั่นแหละจึงเป็นของแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นความผิดพลาดของพระองค์แม้เพียงปลายขนสาย หามีไม่เนี่ยนะไม่มีแม้แต่นิดเดียวเป็นการกระทําที่ไม่ผิดไม่พลาดไม่คลาดเคลื่อนจากเป็นจริงเลยนะมันพระองค์จึงสามารถช่วยสพัพพสารให้ตรัสรู้ได้ก็แค่ ด, ดูนะพระองค์พอช่วยสัตว์ให้ตรัสรู้ได้คนหนึ่งเช่นแสดงธรรมาจากจบพระัญญาโกณัญญาบรรลุท่านดีใจมากเลยนะโห้ตั้งใจมานานมากจนสามารถช่วยได้แม้แต่คนเดียวก็ดีใจมากนะเพราะถ้าหากว่าทราบว่าผู้ใดพอจะตรัสรู้แม้แต่คนเดียวจะไกลแค่ไหนพระองค์ก็ไป ไปเพื่อสงเคราะห์เขาเนี่ยนะอย่างยักษ์เนี่ยไปเพื่อสงเคราะห์ยักษ์เมื่อวานใช่ไหมอาชากลาปกะยักษ์น่ะนะไปนั่งให้เขาต่อสู้ทั้งคืนอย่างไงนะก็คิดดูเพื่อจะสงเคราะห์เขาอะนะไปสงเคราะห์อารวากยักษ์ไปให้อลรวาจายักษ์เล่นงานทั้งคืนอ่ะก็ยอมนะบอกสมณะออกไปก็ออกสมณะเข้ามาก็เข้าเนี่ยนะเพื่อจะสังสอไอ้สงเคราะห์เขาอะนะยอมเขาทุกอย่างไปหมดแต่ไม่ไอ้ไม่ได้ยอมด้วยอนนยอมทางร่างกาย เพื่อให้จิตใจของเขาอ่อนโยนจะได้แสดงทําให้เขาฟังได้ในที่สุดเขาก็ท้นจากทุกข์ได้นะจริงอย่างนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า24พระองค์เหล่านี้คือพระพุทธเจ้าทีปังกรโกรนธัญะมังคลาสุมานณะเป็นต้นเนี่ยนะจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ก่อนคือพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเสด็จอุบัติขึ้นโดยลําดับพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็พยากรณ์ว่าบุรุษคนนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคต พระองค์พระองค์เนี่ยคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยได้รับพยากรณ์คือได้รับการทํานายมาจากสํานักของพระพุทธเจ้า24พระองค์ด้วยประการชนิดนั่นเองได้รับอ น, นิสงส์งที่พระโพธิสัตว์ผู้ได้บําเพ็ญอภินิหารจะเพิงได้รับนั้นนั่นแหละพระองค์ก็ได้คุณสมบัติของพระโพธิสัตว์ทุกทุกประการเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าตถาคตเพราะเสด็จมาคือบรรลุความเป็นผู้ตรัสรู้ยิ่ง ด้วยมหาปฏิญญาตามที่ตรัสไว้นั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าตถาคตเพราะเสด็จมาโดยประการนั้นอั้นใครอยากรู้รายละเอียดที่เต็มเปี่ยมนะก็ดูจากพุทธวงศ์ดูจากจริยาปิดกแล้วก็ดูจากชาดกทั้งหลายก็จะเห็นข้อปฏิบัติต่างๆกว่าที่จะทำให้พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วสิ่งที่เอามาแสดงนี้ก็ถือว่าเศษเสี้ยวน ะ, ะนะเศษเสีเ้ยวพระเระผู้ทรงพระไตรปิฎกท่านหนึ่งบอกว่า การปฏิบัติของพระองค์ที่ยกมาให้เห็นในชาดกเป็นต้นเนี่ยนะเหมือนกับน้ําในแก้วน้ําในพานแต่ที่ไม่ได้เอามาแสดงเนี่ยประดุดน้ําในทะเลเนี่ยนะพราะบารมีที่พระองค์ทำํำแล้วพระองค์ไม่ได้เล่าให้สัพพสัตวฟังนี้หาประมาณมิได้พราะพระองค์นี้จึงชื่อว่าตถาคตเนี่ยนะเพราะเสด็จมาอย่างนั้นเนี่ยนะทีนี้มาดูว่าที่พระองค์เสด็จไปอย่างนั้นเนี่ยไปอย่างไรคือพระโลกนาฏ นะพระโลกนาตแปล ว, ว่าพระผู้เป็นที่พึ่งของโลกเห็นหมูสัตว์ผู้ดําเนินไปลําบากเพราะทุกใหญ่ น, นว่าหมูสัตว์เนี่ยเป็นพวกอะไรนะพวกมีทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วมีทุกขอย่างลงแล้วเพราะอะไรชาติทุกชราทุกปยาที่ทุกมรณาโซกัปริเทวะทุกกรทมานัตอุปาญาตสรุปว่าไล่ไปหาแต่ความทุกขเนี่ยนะพระองค์นี้มีใจอันกรุณาเนี่ยให้อาถานขึ้นว่าเนี่ยนะ ด้วยแรงแห่งมหากรุณาเนี่ยนะกรุณาเจตสิกที่เกิดขึ้นในใจของพระองค์คือทนไม่ได้ที่เห็นผู้อื่นเป็นทุกข์เนี่ยนะพระองค์ก็เลยเกิดความกล้าหาญขึ้นว่าหมู่สัตว์นั้นไม่มีใครอื่นเป็นที่พึ่งเราเท่านั้นพ้นจากสังสารทุกข์นี้แล้วจากยังสรรพสัตว์ให้พ้นได้ด้วยไอแรงกรุณาตัวนี้แหละทำให้พระองค์ตั้งความปรารถนาที่เรียกว่าธรรมหาพิณิหารคือการตั้งความปรารถนาเพราะกรุณาเนี่ยเป็นหลัก ขั้นแล้วทรงถึงความอุตสาหะให้สําเร็จประโยชน์แก่โลกทั้งสิน้นก็ทําได้จริงๆตามที่ที่ตั้งเอาไว้ด้วยใจกรุณานเนะีะทำตามที่ทรงตั้งปณิธานเอาไว้ทรงไม่ห่วงใยในพระกายสิ่งที่พระองค์ทำเนี่ยนะไม่อะไรในร่างกายและไม่อะไรในชีวิตคือพระชนชีพของพระองค์แม้กระทั่งชาติสุดท้ายยังบําเพ็ญทุกขรกิริยาที่ทําได้ยาก แม้กระทั่งคนทั่วไปฟังก็ทำให้เกิดความสะดุ้งขึ้นในจิตคนที่ฟังเนี่ยนะสะดุ้งเลยนะด้วยเหตุเพียงปรากฏทางโสตทวารของชนเหล่าอื่นนะบอกว่าถ้าใครดูอะไรนะมหาสีหนาสูตรเนี่ยฟังแล้วขนลุกเลยนะโลมหังสนะปริยายเป็นต้นเนี่ยโอ้ฟังแล้วขนลุกก็ทำได้ยังไงพระองค์นี้ดำเนินโดยประการที่ข้อปฏิบัติเพื่อมหาโพธิญาณเป็นการตรัสรู้ที่ยิ่งใหญ่จริงๆ แล้วสิ่งที่พระองค์ปฏิบัตินี้ไม่ใช่หาหนาพาคยะเนี่ยนะหมายคําว่ากระร่องกระเร่งกระร่องกระเร่งอะนะตอนแรกก็เอามาเต็มใช่ไหมค่อยลดปริมาณไปเรื่อยๆ ๆ, ๆตอนแรกเอาเต็มที่เลยใช่ไหมวันที่สองก็ลดลงลดลงลักษณะได้เร ว, ว่าหาหนาพาคยะเนี่ยนะตอนแรกก็สมาทานศีล8ตอนหลังก็ลดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะตอนหลังก็รักษาศีลข้อเดียวก็ได้อย่างงี้ยนะไอ้พวกนี้เรียวกว่หาหานาพาคยะพวกเสื่อมแต่พระองค์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นและก็ไม่ใช่สังกิเลสะพาคยะนะ ไม่ใช่ทําไปกิเลสเล่นงานไปก็ไม่ใช่ทิติภาคยะอีกไม่ใช่ว่าโอ้ยอนุรักษ์นิยมเคยให้ทานเท่าไหร่ก็ทาเท่านั้นเคยรักษาศีลเท่าไหร่ก็ทําอยู่เท่านั้นเคยทําบุญเท่าไหร่ก็อยู่เท่านั้นไม่มีการเพิ่มเลยในด้านการเจริญกุศลไม่มีเพิ่มขึ้นอันนี้เรียกว่าทิติภาคยะพระองค์ไม่เป็นอย่างนั้นโดยที่แท้พระองค์เป็นประพุ่งเป็นจําพวกวิเศษภาคยะอย่างยอดเยี่ยมแท้จริง มีแต่เพิ่มปริมาณยิ่งขึ้นมีแต่เพิ่มปริมาณยิ่งขึ้นทรงสําเร็จพระโพธิสมภารอย่างสิ้นเชิงโดยลําดับร้อยความที่เอาแต่ยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยนะพระองค์ก็เลยสําเร็จโดยลําดับจนถึงบรรลุอภิสัมโพธิญาณเนี่ยนะจนบรรลุอภิสัมโพธิญาณที่โคนต้นโพนั่นแหละเบื้องหน้าแต่นั้นพระองค์ในทรงมีใจอันกรุณาเนี่ยมหากรุณานั่นแหละกระตุน้นเตือน แรงกรุณาก็มาบีบเล่นงานพระพุทธเจ้าอี ก, ก น, นะดีไหมโอ้ยเขาบอกว่าเคยตั้งคําถามนะเออเนี่ยที่เราเลื่อมสพระพุทธเจ้าเลื่อมสตรงไหนกันโดยมากทุกคนตอบเหมือนกันเกือบหมดเลยว่าเพราะการุณาอันนะัเพราะเลื่อมสในกรุณาของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้กรุณาจริงๆที่จะสงเคราะห์เนี่ยนะเพราะพระองค์นี้มีใจกรุณานะั่ยแหละกระตุ้นเตือนพระองค์นี้ละความยินดีในความสงัด และความสุขอันเกิดแต่วิเวกอย่างยิ่งคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าจะว่าจะให้พระองค์สบายก็สบายจริงๆถ้าพระองค์จะทำนะสมมติถ้าพระองค์บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ยไปอยู่ที่พรหมโลกพระองค์ก็สบายแล้วคะหรือนี้หลีกไปอยู่ตรงไหนก็ได้หรือไปให้ผู้ใดผู้หนึ่งอุปถักตโดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นมายุ่งก็ได้เข้าพระสมมาบัตรโดยส่วนเดียวหรือนี้ไปอยู่ที่ไหนพระองค์ก็ทําได้หมดนะนะแต่ก็ไม่ทําเพราะการุณานั่นแหละกระตุ้นเตือน พระองค์ทรงละความยินดีในวิเวกเครียกว่ากรุณาเนี่ยนะมันกรุณาเนี่ยใหญ่ถึงขนาดว่าเข้าพระสมาบัติอยู่ต้องออกจากสมาบัติเพื่อจะไปสงเคราะห์สัตว์เนี่ยนะครับกรุณาเนี่ยทำให้ให้ละความสบายแม้กระทั่งความสุขที่เกิดจากการเสวยวิมุตติสุขต้องเลิกเสวยวิมุตติสุขไปเพื่อสงเคราะห์สัตว์อื่นเนี่ยนะพระองค์เนี่ยละความยินดีในความวิเวกและละความยินดีที่ เกิดจากความสุขที่เกิดจากวิโมกอันสงบอย่างยิ่งพระองค์นี้ไม่คํานึงถึงประการที่ไม่เหมาะสมที่ชาวโลกอันมากไปด้วยภารชนให้เกิดขึ้นคือพระพุทธเจ้าเนี่ยไปสงเคราะห์เขาเนี่ยไม่ใช่สงเคราะห์ง่ายนะไปสงเคราะห์บางหมู่บ้านเนี่ยเขาเอาญ้าอ่า น, นะเอาขี้แกลบเอาย่า อ, าอะไรไปถมบ่อน้ําหมดเลย น, นะเพื่อจะบอกว่าพระพุทธเจ้าจะได้ไม่ต้องผ่านหมู่ไม่ต้องอยู่หมู่บ้านนี้นานจะได้รีบไป ไ, ปไปซะ จะได้ไม่ต้องสมัสอนชาวบ้านให้เขารู้กันอะไรงี้ยนะบางทีก็อย่างว่าเนี่ยไปให้เขาด่าทั้งคืนก็มีบางคนเนี่ยไปรอแล้วก็เขาก็มาด่าด่าดา ด, าด่าจนสะใจเต็มที่เลยนะบางทีก็เขาก็มาลองดีว่าสมณะโคโดมฆ่าอะไรจึงจะจึงจะหลับเป็นสุขว่างั้นนะฆ่าอะไรจึงจะมีความสุขแลที่จริงอะ่ะเป็นแผนที่จะเล่นงานพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะเรื่องจะไปด่าพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปบางแห่งเนี่ยนะอย่างไปที่เมืองโกสัมพีเนี่ย ชาวบ้านที่รับจ้างด่าก็รับจ้างด่าอยู่เจ็วันอย่างเง น, นี้ก็ถือว่าวิบากก็น่าดูเหมือนกันนะสาวถีเนี่ยอย่างเมื่อเช้าที่เราฟังเนี่ยใช่ไหมชาวเมืองสาวัถีก็ด่าพราะองค์จริงๆเดี๋ยวสูตรข้างหน้าจะมีอีกเนี่ยนะไม่ใช่ว่าพราะองค์ไม่ถูกด่าเป็นต้นเพราะแล้วก็สงฆ์ข้พระเทวทัตพระเทวทัตยังกลิ้งหินทับอีกใช่ไหมนะ ไ, ไปไปบางทีก็เดินเหน็ดเหนื่อยทั้งวันเพราะฉะนั้นโลกนี้ที่โดยมากเต็มไปด้วยภาลชน ก็เหมือนกับอะไรนะเลี้ยงลูกนะอุตส่าห์เลี้ยงมันดีๆมันก็ยังหยิกผมเนี่ยนะดึงผมซะจนแม่นี่ก็กระเตงไปหมดใช่ไหมไม่ใช่จะเลี้ยงง่ายๆใช่อุ้มดีๆก็ร้องกระจององไงให้กินให้นอนก็ไม่ใช่ง่ายนะแต่ทําไมาต้องเลี้ยงอะ่ะก็กรุณาเนี่ยนะเพราะใจกรุณานั่นแหละเพราะเขาไม่รู้่นะภาระแปล ว, ลาว่าเขาชนผู้คนเขาทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้แหละพระองค์นี้ไม่คํานึงเลยนะว่า ความผิดของสตัตว์เออเนี่ยพระองค์ไม่สนใจว่านั่นเป็นความผิดของเขาอ่ะนะไม่ไม่เอาม า, าไม่เอามามนาราตรการไม่เอามานึกเลยสําเร็จพุทธกิจคือกิจแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าโดยสิ้นเชิงพระองค์นี้ทําการแนะนําชนที่ควรแนะนําสงเคราะห์เวนัยสัตว์อ่ะนะแนะนำในที่นี้หมายถึงเวนัยสัตว์สงเคราะห์เวนยสัตว์ได้ทั้งหมดในข้อนั้นอาการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอย่างพระมหากรุณาลงในหมูสัตว์เนี่ย เดี๋ยวจะเรียนข้างหน้าต่อไปเรียนมหากรุณาสมาบัติยานข้างหน้าว่าเพราะฉะนั้นพระโล ก, ก น, นาจเจ้าผู้เป็นพระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาในสัตว์ทั้งหลายฉันใดอันนี้นะว่าอันนี้พระพุทธเจ้านะมีกรุณาจริงๆอย่างนี้ฉันใดแมมพระโพธิสัตว์ก็ฉันนั้นพระองค์คือพระโพธิสัตว์นี้มีมหากรุณาในหมูสัตว์ในการบำเพ็ญอภินิหารเป็นต้น ถ้าไม่มีกรุณาเนี่ยนะท่านไม่ปรารถนาที่จะช่วยผู้อื่นรอ้องสำนวนว่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวนี้สบายที่สุดแล้วใช่ไหมเหนื่อยไม่ค่อยเหนื่อยด้วยนะสบายก็สบายไม่ค่อยเหนื่อยด้วยแต่ว่าทําไมพระ อ, องค์ไม่ทําอย่างนั้นเพราะกรุณานั่นแหละเพราะกรุณาเนี่ยเพราะกรุณาแท้ๆเลยนะเรื่องยาวไปอีกเสียสงไขแสนกับถ้าไม่กรุณาท่านก็ตรัสรู้แล้วตอนที่อยู่แทบบาดมูลของพระทีปังกรเนี่ยท่านจะเป็นพระ เป็นพระสังฆนวะกะที่เป็นผ้ารหัสสมบูรณ์ด้วยอภิญญา6ปฏิสัมพิทา4ีวิโมก8ติดตามห้อยกลุ่มภิสูุเหล่านั้นไปทันทีเลยนะแต่ก็ไม่เอาเพราะกรุณาเป็นปัจจัยกรุณาของพระองค์นั้นเนี่ยนะชื่อว่าทองแท้มหากรุณาเนี่ยเป็นของจริงของแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นเพราะมีภาวะเสมอกันในที่ทุกแห่งเป็นกรุณาที่ว่า เมื่อใดก็กรุณาอย่างนี้แล้วก็กรุณาอย่างนี้ตลอดกาลทุกเมื่อเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงพระนามว่าตถาคตเพราะดําเนินไปคือดําเนินไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกทั้งสิ้นด้วยกรุณาอันทองแท้และกรุณานี้ก็มีกิจเสมอกันในสรรพสัตว์ทั้งหลายแม้ในการทั้ง3าอดีตเคยมีกรุณาอย่างไรอนาคตก็จักมีกรุณาฉันนั้นปัจจุบันก็ไม่เป็นอื่นเนี่ยนะเรียกว่าการุณาเสมอกันในสัตว์ในการสาม เพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าพระตถ า, าคตเพราะเสด็จไปโดยประการนั้นเนี่ยนะก็คือไปด้วยกรุณาจริงๆนะกรุณานั่นแหละกระตุ้นเตือนทําให้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าการุณาไม่มีอยู่ในใจของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็ทําไม่ได้หรอกเนี่ยนะก็คล้ายๆกับว่าอย่างพ่อแม่หลายๆคนเนี่ยนะที่เหน็ดเหนื่อยแทบตายเนี่ยก็เพราะอะไรก็เพราะมีกรุณาต่อ โลูกเป็นต้นเนี่ยนะยอมเหน็ดยอมเหนื่อยทําทุกอย่างก็เพื่อลูกฉันใดพระพุทธเจ้ามองว่าสัตว์ทั้งโลกเป็นบุตรของพระองค์เนี่ยนะเป็นลูกของพระองค์พระองค์จึงมีใจกรุณาที่จะช่วยเขาแล้วพระองค์เนี่ยเป็นกรุณาที่ประกอบด้วยปัญญาอย่างแท้จริงนีคือไอความที่มีปัญญาเนี่ยทายังไงเป็นการช่วยช่วยจริงๆ ไม่ใช่ไปช่วยเบียดเบียนเขาไม่ใช่ไปช่วยลน้ลนทับเขาอ่ะนะไปช่วยสร้างความเดือดร้อนให้แกเขาพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นเพราะพระองค์มีปัญญาใช่ั้มมีกรุณาด้วยมีปัญญาด้วยทีก็มาดูชื่อว่าตถาคตเพราะมาถึงสัจจะอันทองแทสัจจะคือความจริงใช่ั้ยเป็นความจริงที่ทองแทแน่นอนถามว่าสัจจะที่ทองแทจริงแทแน่นอนคืออะไรก็คือ ความจริงที่ทองแท้ได้แก่อริยมรรคยานเพราะอริยมรรค ย, ยานนี่แหละทำให้ตรัสรู้ของจริงของแท้ถ้าอริยมรรคยานอริยมรรคยานไม่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถที่จะตรัสรู้ของจริงของแท้ได้จริงอยู่อริยมรรคยานนั้นชื่อว่าทองแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นเพราะไม่กล่าวลักษณะแห่งสภาวะธรรมพร้อมทั้งกิจให้คลาดเคลื่อน แทงธรรมะคืออริยสัจส น, นะอริยมัคคยาเนี่ยทำให้แทงตลอดอริยสัจสี่แบบไม่ผิดไม่พลาดไม่คลาดไม่เคลื่อนด้วยเลยว่าอริยสัจสี่ที่เป็นประวติประวติก็คืออะไรประวติคืออะไรเอ่ยหมายถึงสัจจะอะไรเนี่ยประวติเป็นชื่อของอริยสัจมีสี่เท่านั้นแหละดูซิหนึ่งสองสามสกอขอ ข, อของอแล้วนะอะไร ประวติคือจริงบอกบ่อยมากเลยนะทุกขสัจจะเนี่ยนะทุกขสัจจะอันประวัติใช่ไหมไปเรื่อยโลกอันชารานําไปไม่ยั่งยืนเนี่ยนะไล่ไปสู่ความแก่เนี่ยประวัติแปลว่าความเป็นไปเขียนแบบไทยๆกว่าประวัติประวัติอย่างเช่นประวัติของนายกนายงเป็นต้นเนี่ยประวัติก็แปลว่าเป็นไปนั่นแหละเป็นไปก็ถ้าโดยสัจจะก็เป็นทุกขสัจจะนิวัติเลิกไปหวนกลับเป็นชื่อของอะไรสัจจะอะไรที่หวนกลับ นโรสัจจะเหตุของปวัติเรียกว่าปวัตนะคือสมุทัยสัจเหตุที่ทําให้นิวัตไม่ไปในวัตตาก็คือมัคสัจจะอริยมรรคนี่แหละที่ทําให้แทงตลอดอริยสัจทั้ง4ี่ทั้งปวัตินิวัติและเหตุของปวัติเหตุของนิวัติเป็นเครื่องรวบรวมยยธรรมทั้งมวลอย่างนี้ว่านี้ทุกอริยมรรคนะคือตัวแทงตลอดบบนี้ทุก นี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขานิโรธาามินีปฏิปทาและอริยมรรคนี่แหละเป็นตัวจำแนกวิภาคคือจำแนกจำแนกอริยสัทย์ทั้งสี่จำแนกแยกแย ก, แยกออกหมเลยวันนี้ทุกทุกเป็นยังไงปีลณะนะบีบคั้นบีบคั้นบีบคั้นบีบจนนั่งอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่ได้อคิดดูเอาได้ไหมไม่ได้ บีบให้เห็นอย่างนี้ตลอดไปก็ไม่ได้บีบจนฟังอย่างนี้ตลอดไปก็ไม่ได้สรุปว่าทุกบีบตลอดอะนะแล้วก็สังคตะทุกอย่างล้วนแต่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนะขันธ์อริยตนะล้วนแต่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็สันตาปะเดือดร้อนมากเนี่ยนะเดือดร้อนมากเพราะทําให้เดือดร้อนแล้วก็วิปริณามะแล้วก็แปรไปในที่สุดเนี่ยนะแปรไปเลยเนี่ย สมุทัยศาสตร์จะอายุหนะประมวลมาประมวลมาประมวลมาไหนประมวลมาเกิดไงนี่นะประมวลมาในวัฏตะในภูมิสามแล้วก็สมุทัยศาสตร์นี่เป็นเหตุเหตุไหนเหตุที่ทําให้ศัตว์เนี่ไปในวัตตานี่แหละเป็นเหตุของทุกขสมุทัยศาสตร์จะนี่แหละประกอบสัตว์ไว้กับภพนี่นะประกอบไว้ก็คืออะไรนะสังโยคะใช่ไหมสังโยคะก็คือประกอบไว้ในวัฏตะ แล้วก็ปริโพธะกังวลอยู่นั่นแหละเนี่ยนะกังวลให้ไม่ต้องไปหลอกอยู่ต่อเธออะไรงี้ยนะครับสมุทัยศาสตร์เนี่มันทําให้คอยห่วงคอยใยคอยกังวลอย่าเพิ่งบรรลุเลยเนี่ยนะโน้นก็ยังไม่ได้ไปนี่ก็ยังไม่ได้ทําเป็นต้นเนี่ยนะมันก็สมุทัยศาสตร์จะเข้าเป็นอย่างนั้นทําให้กังวลยังก็ว่ากังวลแล้วมันแก้ปัญหาได้อยังไงเนี่ยนะ นิโรสัจจะเป็นอย่างไรนิโรสัจจะนี้เป็นนิสรณะสลัดออกธรรมชาติของพระนิพพานเนี่ยคือธรรมชาติที่สลัดจากสังขตะโดยประการทั้งปวงเครียกว่านิสรณะนิสรณะเนี่ยสลัดออกจากวัตะนิโรสัจจานั้นวิเวกวิเวกะวิเวกก็แปลว่าสงัดจากสังขารสังัดจากสังขารทุกชนิดอ่ะนะเพราะว่าเป็นอุปทิวิเวกเนี่ยนะอุปทิวิเวก นิโรสัจจานั้นเป็นอสังขตะอันปัจจัยอะไรๆปรุงแต่งไม่ได้ไม่มีรูปไปแต่งนิพพานเสียงกลิ่นรสเป็นต้นไปแต่งนิพพานไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวที่ไปตกแต่งพระนิพพานเพราะนิพพานนั้นเป็นอสังขตะเพราะนิพพานไม่ใช่สีขาวสีเขียวสีเหลืองสีดำสีแดงเป็นต้นเนี่ยนะเพราะไม่ได้ถูกสังขารธรรมอะไรปรุงแต่งขึ้น แต่เว้นไว้แต่บุญที่จะทําให้แทงตลอดพระนิพพานอันนี้ต้องแต่งจริงๆเลยนะแต่ตัวพระนิพพานนั้นไม่ได้เกิดจากการปรุงแต่งพระนิพพานนั้นเป็นอมตะคือไม่ตายซึ่งตรงกันข้ามกับสังขารที่เป็นความตายพระนิพพานเป็นอมตะเป็นสิ่งที่ดับความตายด้วยเพราะแทงตลอดพระนิพพานนะจากเลิกตายจะตายได้ยังไงนะเพราะไม่เกิดแล้วจะไปตายทําไมส่วนมรรคสัจจะมรรคสัจจะ เป็นยังไงมาราชสัตรจะนิสระัตโธขอโทษนิยานิกะเนี่ยนะอะไรนะสวดเมื่อเช้าว่าไงและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกเนี่ยนะอันนี้อธาตถคโตโลเกอุปันโอรหังสัมมาสัมพุทโธธรรมโมจะเทสิโตนิยานิโกอุปสัมมิโกปริณิพานิโกเนี่ยนิยานิโกตัวนั้นแหละคือนิสอันเนี้ยนิสระนักไม่ใช่นิยานิกะเนี่ยนะนิยานิกะก็คือ ตัวที่นําออกจากทุกเนี่ยนะตัวที่นําออกจากทุกขเพราะมันเป็นเหมือนอะไรนะถ้าเราจะหนีจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งมันจะต้องมีเครื่องมือที่ทําให้หนีจากนั้นได้ใช่ไหมเช่น ว, ว่าถ้าถ้าจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งสมมติฝัง่งนี้เลวร้ยรายมากาเราจะข้ามจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้นจะต้องมียานพาหนะที่นําออกไปอริยมรรคก็ฉันนั้นเพราะอริยมรรคเนี่ยเป็นเป็นเหตุที่นําสัตว์นี้ออกจากทุกเลยเป็นยานอ่ะนะ เป็นญานที่นําออกจากทุกข์แล้วก็อริยมรรคนี่เป็นเหตุให้ <S 2> <S 2> เป็นเหตุให้บรรลุนิพพานถ้าไม่มีอริยมรรคเป็นเหตุนะ <S <S บรรลุนิพพานไม่ได้หรอกอริยมรรคนี่เป็นทัศนะเป็นธรรมชาติที่เห็นพระนิพพานกิจของอริยมรรคคือเห็นนิพพานอริยมรรคนี่เป็นอธิปไตยอธิปไตยคือยิ่งใหญ่ตรงกันข้ามกับทุกขสัตวใช่ไหมทุกขสัตว์เหมือนคนกําพาร์อนาถา แต่ว่ามกษัตริย์จ่านี้บริบูรณ์ด้วยสติประธานสัมมารประธานอิธิบาทอินระะทรีย์พระพุทธชงองค์มรรคบริบูรณ์ด้วยฮิริโอตตะ ป, ปะเป็นต้นเนี่ยบริบูรณ์ด้วยกุศลธรรมเกิน50เนี่ยนะจึงสามารถออกจากทุกข์ได้แล้วก็ผู้ที่บรรลุอริยมรรคเนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆไม่เรียกว่าคนยากคนจนไม่เรียกว่าคนขัดสนอกีกต่อไปเดี๋ยวเรียนข้างหน้าจะเรื่องอะไรนะสุปปพุทธกุฏิเนี่ยนะจะรู้ว่าสุปปพุทธกุฏิเนี่ยพอบรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะ เทา้ทาสา ก, กะยังต้องหลบให้อะตอนที่แกบัรลุเป็นอพอตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาใช่รัศมีแกมากกว่าเนะท้าสักกะนี่ต้องหลบให้อ่ะเนี่ยนะเขา เ, เรียกว่าสู้กันด้วยแสงนะเทวดาเนะี่ยบางทีใครแสงมากกว่ากันคนนั้นก็ต้องคนที่นักนั้นก็ต้องหลบให้นะเพราะดูเขาไม่ได้มันจ้ามากนะเป็นเจ้านายที่มีบุญน้อยกว่าบริวารเนี่นะตอนหลังก็เดือดร้อนมากเลยนะ่ย เราต้องมาฟังทำตอนหลังก็ก็เป็นเท่าสักกะคงเดิมนะเพราะมีอํานาจมากตอนหลังก็เป็นพระโสดาบันแต่พูดถึงตอนแรกๆเนี่ยเขายิ่งใหญ่มากๆเลยสุปปาพุทธกุฏิเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่เป็นคนขี้เรื้อนเนี่ยนะกินไม่พอยาไส้ไปวันๆดัง น, นั้นะนะพบต่อไปเนี่ยยิ่งใหญ่มากเลยเดี๋ยวเรียนข้างหน้าก็แล้วกันงั้นผู้ที่แทงตลอดอารยามรักเนี่ยมียธิปไตยเนี่ยนะเป็นคนที่เมียธิปไตยเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยถ้าตรัสรู้อารยามรักแล้ว <Jub ilee> แต่ว่าถ้ายังไม่ตรัสรู้อริยมรรคนะกระจอกงอกง่อยแน่อนาคตทำไมอ่ะเห็นคนจันทามเนี่ยเราคิดว่าเราพ้นแล้วหรือเห็นสุนัขขี้เรือนเป็นต้นเราคิดว่าเราพ้นแล้วหรือไปเห็นสัตว์ในอาบายเห็นมดเห็นแมลงพ้นแล้วหรือก็ยังต้องไปกระจอกงอกง่อยกลายเป็นอนาถานะครับเวลาเคยเห็นขอทานข้างถนนเป็นต้นไหมคิดว่าเราพ้นแล้วหรือถ้าไม่บรรลุอธิปไตยธรรมคืออริยมรรคเหล่านี้เนี่ยนะ จะต้องปฏิบัติให้ถึงมัคคาทิปตยะเนี่ยนะคือให้มัคเป็นใหญ่จริงๆการตรัสรู้อริยสัจทั้งหมดด้วยอนุภาพของอริยมัคที่จำเนกอริยศัสตร์คือประวัตินิวัติเหตุของประวัตินิวัตและแทงตลอดวิภาคแห่งอริยศัสตร์ทั้ง16หัวข้อทุกมีสีสมูทัยมีสีนิโรธมี4มัคมี4ี่ก็หหัวข้อเนี่ยนะ การตรัสรู้นี่เป็นการตรัสรู้โดยไม่งมงายไอ้คำว่าไม่งมงายแปลว่าไม่เลอะเทอะไม่เลอะเลือนไม่สับสนอนนะเป็นการตรัสรู้โดยไม่งมงายในธรรมะนั้นอันได้ด้วยการตัดขาดธรรมะอันเป็นฝักฝ่ายแห่งสังกิเลตอันเป็นเหตุกางกั้นความอย่างรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงเนี่ยนะ อวิชชาเนี่ยมันเป็น ต, ต, ตัวขัดตัวปัดไม่ให้แทงตลอดดังที่กล่าวไปอรรยมรคเนี่ยเป็นตัวทำลายอวิชชาเนี่ยนะเป็นตัวประหารอวิชชาเหมือนแสงสว่างประหารความมืดฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะไม่มีผู้อื่นทร ง, ทรงแนะนำขออภัยไม่มีผู้อื่นที่แนะนำพระองค์พระองค์นี้เสด็จมาถึงคือมาบรรลุอริยสัจสีเหล่านั้นด้วยพระองค์เองไม่น่าเชื่อนะ ถ้าพรองตรัสรู้ได้ยังไงนะทั้งสิหกหัวข้อเนี่ยขนาดของเรามานั่งอา่านนั่งเรียนของท่านยังไม่ค่อยจะเข้าใจว่าท่านพูดอะไรใช่ไหมบางทีว่าอา่อานอ่านบอกเออเอใช่ใช่ช่แล้วพวกนี้อยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่นี่ไหนอ่ะนะนี่แต่นี่มันจุดไหนกันแน่อะไรอย่างเงี้ยก็คิดไปคิดมานี่มันงงไปหมดเลยอย่างเงี้ยเรเห็นว่าขนาดแ น, แนวอะไรจนก็ยังยากอีกอยู่ดีว่างั้นเถอะก็คนบุญ น, น้อยก็เป็นอย่างนี้เนละบุญ น, น้อยก็เลยท้อเลยใช่ไหม กินลูกท้อเลยเว้ยถ้าได้ดีเพราะลูกท้อึงสัยจะได้ดีกันเยอะแล้วนะพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยไม่มีผู้อื่นแนะนําเลยนะคือคิดดูนะว่ า, ถ, าถ้าเราศึกษาพุทธประวัติโดยเฉพาะชาติสุดท้ายชาติเดียวเนี่ยนะถ้าเราเห็นเฉพาะชาติเดียวเนี่ยเรานึกไม่ออกว่าพระองค์ตรัสรู้ได้อย่างไรเนี่ยนะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นไปได้นะแล้วก็คนที่แนะนําคนอื่นอย่างอลาลาดาบทอุตกาธกาบทก็แนะนําอรูปฌานบอกว่าโอ้ยนี่แหละนี่พ่านแล้ว เนี่ยนะมา เ, เรามาเป็นอาจารย์กันดีกว่าเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเขาจะได้บูชากรวาวิ่งช่วยกันสั่งสอนลัทธิเหล่านี้ก็แล้วกันผมก็บอกไม่ใช่สมัยนั้นเขาก็เชื่ออย่างนะว่าบุคคลจะเข้าถึงความสุขได้จะต้องผ่านความทุกข์ซะก่อนเขามีลัทธิอันนั้นเพราะฉะนั้นใครที่จะบรรลุจริงมันต้องทรมานตัวให้มันเข็ดอะไรเนี่ยทรมานที่สุดพระองค์ก็ทําอย่างที่เขาว่าถ้าคืนทําต่ออีกแม้แต่นิดเดียวตายทันทีพระอผ์ก็เลิกแล้วก็มาค้นคว้าต่อไปจนได้ ตรัสรู้เนี่ยนะจนได้ตรัสรู้แล้วก็ตรัสรู้โดยไม่มีผู้ตั้งต้นให้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าพระตถาคตเพราะเสด็จมาถึงสัจจะอันทองแท้เนี่ยนะใสได้หัวข้อท่านี้นะส่วนเนื่ยธรรมะในหน้า228เป็นต้นในหัวข้อใหญ่มากก็พรุ่งนี้เช้าก็คงฟังพระพุทธคุณเกี่ยวกับพระตถาคตต่อไปอีก